เมือ่อชาจะมีคนเอาสภาวธรรมมาเล่าให้ฟังแต่เป็นสภาวธรรมในความฝันแต่ว่าฝันเป็นอสุภะฝันว่าตัวเองนอนตายเสร็จแล้วนอนก็มาชอนชัยตอนแรกก็เกิดความอึดอัดขัดข้องเกิดความกลัวขึ้นมาบ้างแต่สู้กันไปสู้กันมารู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนผิด หลุดออกมาแล้ว uh. ก uh. ็บอกว่าเออเหมือนกับว่าได้ทิ้งร่างกายไปแล้วใจก็เลยเบิกบานขึ้นมาก็อยากเอามาเล่าให้ฟังบอกว่านั่นแหละเขาทำมามาให้ส่วนใหญ่นี่เจ้เจ้าธรรมะมาให้พอเจ้าธรรมะมาให้เราก็อู้เราแย่แล้วเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้ธรรมะเออเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะถ้ามันเกิดคือในจิตเราอ่ะนั่นแหละธรรมะมันเกิดแล้วถ้าหาว่าเราเออ อยู่ธรรมะเรามองมันเป็นธรรมะเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นเราจะปรากฏการธรรมดาเราเอาประโยชน์จากมันอย่างเดียวเอามันมาสอนเราเอามาแก้ไขเราความทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นให้มันมาเป็นเครื่องมือสึกกิตเราให้หมดมหนี่นหะจะได้ธรรมะเลยที่สุดเลยนะเพราะว่ถ้าใครเตรียมจิตเอาไว้อะไรเกินก็ตาม เราจะมาปรับที่จิตเราตามที่พี่เจ้าบอกสอนเลยน ะ, ะรักษาจิตไว้ให้เป็นปกติคือไม่ดีๆไม่ร้ายสุดท้ายเราก็ตายเขาก็ตายมึงก็ตายมึงก็ตายเอาให้มันกระแทกเข้าไปมันก็ตายกูก็ตายกูก็ตายมึงก็ตายเอาสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีอะไรที่มันมีคืออุปาทานเห็นไหมตัวอุปาทานตัวยึดตัวติดตัวข้องคนในฝันนี่มีคนบรรลุธรรมได้นะ ฝันแล้วเป็นธรรมะในความฝันในบางทีมันเป็นสมาธิขึ้นมาฝันเพียงแต่ว่าคลิกจิตให้เราฝันไรายๆ้เนี่ยบางทีอย่ากลัวมันจะเอาธรรมะมาให้เรามันก็เป็นเหมือนไร้ไร้เหมือนกับอุยหลังกายเราเป็นนู่นเป็นนี่จะเป็นจะตายเออถ้าเราแก้จิตเราได้แม้ในฝันก็ตามนะตื่นก็ตามฝันก็ตามยิ่งใครแก้ในฝันได้โอยยิ่งดีเลยนะแสดงว่าจิตมันมีปัญญามากเลยนะแม้แต่ในฝันมันก็ไม่กลัว ฝันมาจะเป็นนู่นเป็นนี่นไม่กลัวแสดงว่าจิตคนนั้นอาถรรพ์บ้างหรือเหมือนเหาะเหมือนลอยขึ้นมาประเภทนี้คือจิตเป็นสมาธิจิตที่มีบุญแล้วก็มีอาโยงก็บอกว่าเออก่อนจะมานี่ฝันว่าอยู่ท่ามกลางกองไฟไฟกําลังลุกไหม้เสร็จแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์คันชิดมาจับแขนดึงขึ้นไปลอยขึ้นไปเออ แล้วก็บอกว่าไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามีคืออะไรแล้วก็มาถามว่ามันหมายความยังไงบอกว่านั่นแหละมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่มีใครบอกได้ <laughs> อาปฏจตตังไลยเล่าออธรรมะก็ต้องเป็นแบบนั้นที่ใครจะบอกใครได้ม <laughs> ันก็ต้องรู้ตัวเองสิศ <laughs> าสนาทาเข้าใจไหม <laughs> ออแล้วมีใครล่าอาไรอีกนะเออบางคนก็บอกว่าชอบจนที่ว่าบอกว่าเกิดตายเกิดตายมันคือเอาความจริงมาพูดอะ แต่เวลาทำมันขึ้นเขาจะไหมแม้มันอยากให้เหมือนอยู่ในหมัดนะหมัดเขาจกระแทกเข้าไปหน่มจะไม่ไม่เขาเไม่จไม่หลับไม่จำกูตายกูตายใรอย่างนี้เลกระแทกหูเลยเลยแต่ไ่กระแทกขูนี่ลำบากเลยนะกระแทกเข้าไปมันจะได้หายงอหวหนุมที่ง่ายๆเอามีใครอยากจะถามอะไรไหมเอาถามได้เลยนะง่ายๆสู่กันฟังได้ นักการนี้ทั้งนักการที่จิตเจตจิตแล้วก็วิวานหน้าที่แกต่งอ่าจิตอ่าจิตคือธรรมชาติอันหนึ่งที่มันนึกคิดได้นะนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้รู้อารมณ์ได้จิตคือธรรมชาตินะเนี่ยไม่ใช่เรานะจิตเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีคุณสมบัติของจิตอันหนึ่งรู้อารมณ์ก่อนอะไรเกิดขึ้นมันต้องรู้ห้ามไม่ได้หรอกเพราะเรามีจิตมันต้องรู้อารมณ์สองมันจะน้อมไปสู่อารมณ์มันอยู่เฉยๆไม่ได้ เรื่องเรื่องความคิดไม่ต้องกลัวมันจะคิดไปเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเพราะเป็นหน้าที่ของมันแล้วมันไึกคิดปรุงแต่งอารมณ์หนึ่ ง, งหัอารมณ์สองน้องไปสู่อารมณ์สามไมคิดปรุงแต่งอารมณ์นี่คือหน้าที่ของจิตเมื่อเรามีจิตเราต้องดูให้ธรรมชาติอันนี้ให้ได้แต่มันเป็นแค่ธรรมชาติมันมีอุปทานรรอันหนึ่งที่ไปยึดจิตว่าเป็นเราจิตไปคิดเองนะไม่ใช่ว่าเราไปคิดนะจิตเป็นธรรมชาติที่ไึกคิดปรุงแต่งอารมณ์มันคิดเองมันคิดได้เองแต่เราเนี่ไปยึดความคิด บอกความคิดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเราเกิดมาเรายังไม่ตายเราจะต้องมีความคิดไว้ไม่ต้องกลัวความคิดคูเย้าสอนให้รู้ความคิดรู้เท่าทันความคิดแล้วให้ปล่อยวางว่ามันเป็นแค่ความคิดเป็นแค่นามธรรมาเป็นแค่เกิดแล้วดับเพราเราคิดขึ้นมานึกถึงเออนึกถึงความโกรธขึ้นมามนเราเคยโกรธหรือเขาเคยว่าเราเคยทําร้ายเราอย่างเงี้ยนึกขึ้นมาแล้วปรุงแต่งไปเรื่อยๆ อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปต้งวลใจนั่นเป็นธรรมชาติของจิตมันต้องนึกคิดขึ้นมาได้ตัวที่นึกขึ้นมาเอาเรื่องเข้ามาก็เป็นสัญญาอันนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันสรุปแล้วมีแต่ธรรมชาตินะแต่เราหลงว่าเป็นเราทั้งหมดเลยนี่คือตัวอุปาทานขอรับพระเจ้าจริงบอกว่ามีทุกเพราะมีเรามีทุกเพราะมีเรามันมีเรามีตัวเราหลงว่าเป็นเราเราก็เลยมีทุกมีเราเพราะมีอุปาทานอันมีอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นก็เลยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา เพราะจิตเนี่ยรู้แล้วเป็นแค่นามธทําอันหนึ่งเป็นธรรมชาติเท่านั้นเอง mm. ไม่ใช่เราเพราะนั้นเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่หลงจิตว่าเป็นเราเราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งเรานั่นเรานี้จริงๆมันไม่ใช่นะเป็นธรรมชาติสมมติว่าเป็นเราเฉยๆถ้าวางใจอย่างนี้มันจะเป็นกลางมันก็อยู่กับธรรมชาตินี้ได้ฝ่ายรูปกระธรรมก็เป็นอันหนึ่งกายคือธรรมชาติที่จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปแล้วอย่างนี้ด้วยนะ มีกายร่างกายของใครบ้างมันจะอยู่ตลอดไปไม่มีทางอะ่ะเราจะหลงขนาดไหนมันถึงเวลามันต้องแตกดับสลายไปเพราะยันยึดไม่ได้เด็ดขาดพระเจ้าจึงบอกว่ารูปคือธรรมชาติที่จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปด้วยสิ่งที่เป็นค่าศึกษัตรูต่ตอมันเช่นเย็นมากๆร้อนมากๆหนาวมากๆ ห, หรือว่าเจ้อุบัติเหตุทั้งหลาย เจอตัดมีพิษงูกัดบ้างเจออุบัติเหตุรถคว่ำบ้างรถทับบ้างอันนี้สุดท้ายร่างกายต้องแตกดับสลายไปด้วยธรรมชาติเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเลยว่าร่างกายเราจะอยู่ตลอดไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลหน้าที่ของเรารักษาจิตเอาไว้ตามที่ผู้เจ้าสอนรักษาจิตเอาไว้อย่างเดียวไม่ให้ไปยินดีนยินไล่กับอะไรแล้วทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าวไรผู้เจ้าสอนเรื่องปัจจุบันนะ ปัจจุบันที่มีสติไว้รักษาจิตไว้สอนจิตเราให้ได้อย่าไปเอาเรื่องเราต่างๆมาทําให้จงเป็นทุกข์เด็ดขาดเพราะถ้าเป็นทุกข์เมื่อไหร่โง่เมื่อนั้นเป็นทุกข์เมื่อไหร่โง่เมื่อนั้นเพราะจริงๆไม่มีเราอ่ามันเป็นเราขึ้นมาเพราะความโง่เป็นเพราะความหลงเพราะนั้นเราจะไปโทษอย่างอืนไม่ได้เด็ดขาดต้องหันเข้ามาแก้จิตเท่านั้นนี่นี่หลาคือธรรมะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่คือจิตแต่จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เพราะนั้นจิตอยูเ่เฉยๆไม่ได้จะต้องมีเรื่องีเราขึ้นในใจิต คิดดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละเป็นแค่อาการของจิตอย่าไปหลงว่าเป็นเราเด็กขาดหลงเป็นเราเมื่อไหลวุ่นวายขึ้นมาในจิตโง่อีกแล้วหลงอีกแล้วสิ่งที่จิตปรุงแต่งแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งมันปรุงแต่งขึ้นมานี่มันไม่ใช่จิตแล้วนะทีนี้มันเรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่อาศรราัยจิตเกิดอาศรราัยจิตดับพวกเจตสิกนี้คือพวกสังขารทั้งหลายจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติเฉยๆนะความคิดความนึกความปรุงความแต่งทั้งหลายเนี่ย สังขารธรรมทั้งหลายเขาเรียกเจตสิกมันเป็นภาษาของธรรมะเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งแทนที่จะเรียกว่าสังขารละขันนะก็เรียกว่าเจตสิกเจตสิกหมายถึงว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตเช่นตัวสตินี่ก็เป็นเจตสิกแต่เป็นฝ่ายกุศลสมาธิก็เป็นเจตสิกสิ่งที่มาอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ก่อนเราไม่มีเลยสติเอาเราฝึกสติขึ้นมาสติเริ่มเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนี่เขาเรียกว่าตัวเจตสิก สมาธิยังไม่มีเอาเราคุมจิตเอาไว้คุมจิตเอาไว้จิตเราเริ่มอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นนี่เรียกว่าตัวสมาธิก็เป็นเจตสิกอยู่ดีดมันปรุงนู่นปรุงนี่ขึ้นมาเรื่องอันนั้นอันนี้บนเรียนอยู่ในจิตเรานี่ก็คือเจตสิกผลเจตสิกคือธรรมชาติอันหนึ่งเนี่เป็นแค่ธรรมชาติแล้วนะไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าบอกว่าเป็นเราเป็นตัวเรานะมีแต่ความหลงเท่านั้นไปนยึดแค่ความคิดความนึกปรุงแต่งอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันมาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิต ด, ดับเกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิตนี่นี่อันนี้ลึกลับมากเจตสิกเพราะนั้นเราก็แยกจิตกับเจตสิกเอาง่ายๆเลยคือจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ส่วนเจตสิกนี่มาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันไม่รู้อะไรหรอกไอ้พวกนี้อย่างความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ไม่รู้มันเป็นความคิดหรอกมันก็คิดไปดีบ้างไม่ดีบ้างดีและไม่ดีมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นแค่ความคิดถ้าเราตั้งหลักดีๆนะเออมันคิดไม่ดีเนื่องจากว่าปัญญาเรายังไม่ถึงเรารู้ไม่ทันหมดจดเราก็ยังทุกข์เพราะมันอยู่ เราก็ระวังไม่ให้มันมันเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นกายากรรมของเราการกระทำของเราพยายามให้มันดีไว้อย่างน้อยคิดไปนในทางดีมันก็ยังสบายใจกว่าหรือว่าไปศึกษาธรรมะเวลามันคิ ด, ค, ดคิดธรรมะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปแทนที่ความคิดไอ้ที่มันเลื่อนเลื่อ น, ล อ, นลอยๆ ย, ยมันมีประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นหันมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมันก็เปลี่ยนความคิดเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ตรงกับหลักความเป็นจริงตรงกับหลักธรรมชาติ คิดแล้วจิตของเรามันรู้จักปล่อยวางคิดแล้วจิตมันพัฒนาขึ้นมันจเจริญเ้าหน้าขึ้นเพราะว่ามันคิดตรงกับหลักความจริงที่มีอยู่ในระบบของธรรมชาติมันเข้าใจมันปล่อยวางมันเป็นอิสระมันก็เลยไม่ค่อยมีทุกข์มากทุกข์ก็ น, น้อยลงทุกข์ก็ น, น้อยลงเพราะนั้นถ้าจะคิดก็คือคิดให้ตรงกับความจรงิงถ้าเราไม่รู้ก็ต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเจ้านี้รู้ความจริงที่มีอยู่ในระบบของธรรมชาติ เพราะเรื่องของเราเนี่เรื่องชีวิตของเราเนี่เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบของธรรมชาติเราจําเป็นต้องเรียนรู้ธรรมชาติจนกระทั่งจิตของเรายอมรับธรรมชาติอย่างเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เข้าใจความจริงอย่างนี้หรือเข้าใจแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตจิตเรายังไม่เข้าไปไม่ถึงอ่ะประโยชน์มันก็ไม่พอไม่พอที่จะดับทุกข์ในจิตเราแต่ถ้าหากว่าโอยมันเข้าไปเป็นอันเดียวกับจิตเลยเนี่ยจิตมันมัน มันเข้าใจมันลุกซึ้งอยู่ในจิตเองอ่ะมันเห็นเองรู้เองเข้าใจเองปล่อยวางเองอย่างนี้มันไม่มีทุกข์มันก็ยอมรับได้ว่าโอ้เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาจริงเลยอ่ะถ้าเรายิงบนเดียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกเลยอ่ะพระพุทธเจ้านี่บอกว่าไอเราเนี่ยมันมาจากไหนเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันเกิดแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะมันมีความหลงอ่ะหลงเป็นเราเป็นตัวเรามันก็จะทํานู่นทํานี่เพื่อตัวเราอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อทําเพื่อตัวเรามันก็พอไม่ได้ใจมันก็เดือดร้อนขึ้นมาในใจเนี่ยได้ใจมันก็จะยึดจะถือจะเอาเข้ามาเอามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อยุจากอิ่มจากพอเนี่ยมันเมืนเลยมีแต่ทุกข์อ่ะทีนีถ้าเบียนเกิดเบียนตายอยู่มันจึงไม่มีประโยชน์คือเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้อีกเป็นเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเสร็จแล้วมารู้อ่ะเออเราหลงที่นี่หลงแล้วทุกข์ตลอดทุกข์ตลอดอาอแล้วจะมาทนทุกข์ทรมานอยู่ทําไมอะ่ะ เกิดตายเกิดตายทุกอยู่นี่ทุกแล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกเล่านี่แหละถ้าใครฟังไม่ออกถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้นะโอ้โหหมดหวังเลยนะเนี่ยทนเกิดแก่เจ็บตายเกิดตายเกิดตายทุกแล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกอีกแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ด้วยเนี่ยนี่แหละพระเจ้าอยากให้เข้าใจนะเนี่ยี่ที่พระองค์ที่พระอนุทูลถามว่าเออแล้วเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วอ่ะมีมีอ่าอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องที่มันทารัลึกถึงพระองค์ได้อ่ะ เดี๋ยพระเจ้าบอกเลยสังเบชนิยสสเพราะอะไรเพื่อกระตุ้นเตือนได้เราเลึกถึงพระ อ, องค์เลืกถึงพระธรรมะเลึกถึงความจริงขึ้นมาเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยมันมีสติมีปัญญาหรืออย่างน้อยมันมีปิติมันอิ่มเ อ, อิบเบิกบานเนี่ยจิตมันจะเบิกบานเมื่อมันรู้ความจริงพอรู้ความจริงแล้วโอ้โหมันรู้สึกว่ามันได้อาหารของใจเลยนะเนี่ยตัวธรรมะก็คือความจริงนั่นแหละความจริงเกี่ยวกับตัวเราด้วยเกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นจิตก็คือธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อารมณ์ น้อมไปสู่อารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เพราะนั้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตก็ตปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดับไปเพราะมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเจตสิกก็คือธรรมชาติอันหนึ่งที่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตยึดถือไม่ได้มันจะมาปรุงแต่งจิตให้ดีบ้างไม่ดีบ้างเอานั่นแหละเป็นเจตสิกหมดเพราะนั้นเรารู้มันรู้มันแล้วก็ดับไปแล้วก็อะไรนะอันสุดท้ายอ่ะวิญญาณพ่าวิญญาณเนี่ยมันมันมันมีหลายความหมายนะ เ อ, เอาจิตเนี่ยจิตเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณจิตธาตวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มันรู้อารมณ์ได้มโนธาตุอันเดียวกันเพราะนั้นวิญญาณความหมายวิญญาณเนี่ยตัวแทนจิตมหมายว่าชื่อหนึ่งของจิตวิญญาณธาตุเวลาเวลาพูดถึงตัวองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของเราเนี่ยประกอบไปด้วยมหาภูตารูปทั้งสี่มหาภูตารูปทั้ง4ี่คือธาตุสี่ปฐวีธาตุอาโปธาตุ เตโชเตโชธาตวาโยธาตดินน้ําลมไฟแล้วอันหนึ่งก็วิญญาณธาตุสรุปแล้วเป็นแค่ธาตุนะมันไม่ได้เป็นเราเนี่ยเนี่ยพูดในแง่ของธาตุวิญญาณธาตุธาตุนิดมาจากคำว่าธาตุหมายของสิ่งที่ทรงอยู่ได้โดยธรรมชาติของมันเองอย่างธาตุดินมันก็อยู่ของมันไปตามธรรมชาติน้ําเป็นธรรมชาติอันหนึ่งลมเป็นธรรมชาติหนึ่งไฟเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อเอามาประกอบกันขึ้นมามารวมกันเรียว่ากาย กายะกายะแปลว่าเอามารวมกันหลายๆอย่างมารวมกันเรียกว่ากายเพราะฉะนั้นกายนี่ก็คือรูปรูปหลายๆลายรูปมารวมกันรูปหลายๆรูปก็คือมหาภูตา ร, รูปทั้ง4ี่ดินน้ําลมไฟแล้วก็วิญญาณธาตุมันคือฝ่ายนามฝ่ายจิตมีเรียกว่าจิตจิตจตธาตุมโนธาตุวิญญาณธาตุดันเดียวกันแต่ทีนี้บางทีเขาก็เวลาเวลาเขาพูดถึงขันห้ามีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน แล้วก็มีวิญญาณขันหมายถึงว่าเวลาที่จิตเนี่ยมันไปทํางานตากระทบรูปปั๊บมันวิ่งไปป๊ไปรู้ทางตาไปเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะตัวจิตตัวจิตจักขู่วิญญาณเป็นตัวเห็นปั๊บมันไปเห็นตัวจิตเห็นเห็นรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอตัวจิตน่ยมันเห็นแต่ตอนแทนที่จะเรียกว่าจิตก็เป็นจักขู่วิญญาณหมายว่าตัวจิตนี้ ไปรู้แจ้งอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณขณะที่เห็นอยู่ดีๆเสียงปั้งขึ้นมามันได้ยินเสียงไอตัวจิตนั่นแหละมันวิ่งมารับรู้เสียงทางหูเนี่ยที่เข้าไปทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณถ้าว่ามีอะไรมากระทบกายปับ๊บอย่างเงี้ยมันเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มารู้เจ็บเนี่ยไอตัวนี้มันก็เป็นกายะวิญญาณหรือได้กินขึ้นมาเนี่ยตาณวิญญาณได้ลดขึ้นมากะชิวหาวิญญาณ ก็คือมันก็คือตัวจิตนั่นเองแต่ว่ามันวิ่งมารู้อารมณ์ก็เลยแยกออกมาว่าเป็นวิญญาณในขันห้าก็คือจิตนั่นแหละมันมารู้อารมณ์มันรู้ทางไหนในหกทางมโนวิญญาณก็หมายว่าเราคิดมุดเรื่องอะไรปั๊บขึ้นมาเนี่ยเรื่องนั้นก็กระทบจิตอีกทีหนึง่งแล้วมะโนวิญญาณก็ไปรับเรื่องนั้นขึ้นมาอีกทีนึง่งแล้วก็ปรุงแต่งไปเรืร่อยเเรียกว่าเป็นวิญญาณในขันห้าอีกอันหนึ่งเป็นที่นิยม ก, กันก็คือว่าเวลาเราไปไหนมาไหนอ่ะ โอ้ยมีวิญญาณเข้ามาพวกนี้ก็คือพวกที่ไปเกิดแล้วแต่เป็นโอปาปฏิกะเช่นเกิดเป็นผีคือเปรตนี่นแหละพวกนี้เกิดตั้บโตทันทีหรือเทวดาเกิดตั้บโตทันทีเลยเขาเรียกว่าโอปาปาติกะเพราะฉนั้นพวกนี้เราก็สมมุติเรียกเขาว่าวิญญาณเหมือนกันแต่จริงๆเขาเกิดแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่สามารถสัมผัสกายเขาได้เพราะกายของเขาพลมิติกับเราเราก็รู้สัมผัสได้ในความรู้สึก บางทีผู้บ้าบเข้ามาบางทีคนลุกขนชันขึ้นมาบางทีเยียบเย็ยนขึ้นมาบางทีได้ยินเป็นเสียงในจิตของเรารับรู้เข้าใจภาษากันติดต่อกันอบอกกล่าวอะไรกันอันนี้เราก็เลยเรียกเขาว่าวิญญาณเหมือนกับว่าสัมผัสได้ทางจิตแต่จริงๆพวกนี้มันเกิดแล้วแต่ว่าคนเรมิติแต่บางทีเราก็สื่อสารกันทางจิตมันก็เลยบางทีก็อนุโลมกันว่าเป็นวิญญาณเพราะว่าวิญญาณนี่มันจริงมีความหมายมากมายแต่ความเป็นจริงแล้วตัววิญญาณจริงๆ ก็คือเป็นชื่อของจิตชนิดหนึ่งว่าวิญญาณธาตุนะหรือวิญญาณวนะิญญาณเราเป็นรับรู้และก็อีกอันหนึ่งก็วิญญาณในขันทั้งห้าเวลามันออกไปทำงานนะนี่นี่ได้ตอบแล้วนะจิตเยืติสิกและก็วิญญาณเรามีใครจะถามอะไรต่อ หมดแล้วเวลาอยู่ที่วัดนอนแล้วก็อยากทำปับหาพอมาถึงแล้วก็ไม่อยากทำเวลาที่ฟังรายการเทปั๊กเนี่ยเราวนั่งไปสมาธิอย่างติดมันเหมือนแยกออกมาหมายถึงว่าติตกับความมันแยกแล้วก็มันเหมือนแยกลับมาดึงมาทีนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จิตจะเห็นร่างกายตัวเองนนิ่งอันนี้คือจิตมันมีกําลังเวลาเราปฏิบัติทำเนี่ย ตอนแรกก็มีสติรักษาจิตจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินี่กําลังของจิตก็มากขึ้นจนจิตที่เป็นตัวของตัวเองมั่นคงขึ้นมาจากนั้นความรู้ก็จะมีขึ้นมามีความรู้ว่าเออนี่ไม่ใช่ของเรามีความรู้ตัวนี้มีสมาธิฐิแล้วก็มีความคิดก็จะตรงถ้ามีสมาธิฏฐิเมื่ อ, อไหร่ความเห็นก็จะตรงหมายว่าเออไม่อยากเอาอะไรแล้วเพราะเห็นมันเกิดดับ <c oughs> เห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วคิดจะไปเอานู่นเอานี่เอามาเสพมาเสวยก็ มันก็เฉยเฉยไปเอาพออยู่ได้พยาบาทมันก็ไม่เอาแล้วอุ้ยเอามาแล้วเสียดแทงใจมีเรื่องมีราวอะไรเราก็อยากแก้จิตเราอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันเริ่มเห็นมันเลยไม่อยากเอามันเลยอยากออกจากตามอยากออกจากพยาบาทจะเอาชนะกันจะไปครอบงาคนนั้นคนนี้ก็ไม่อยากเอาแล้วเพราะมันรู้สึกไม่สบายอยู่ในจิตแม้เขาจะมาครอบงำเราเราก็ไม่สบายเหมือนกันเราก็อยากออกจากการครอบงําเพราะนั้นมันจริงไม่ต้องไปครอบงำใครใครต้องไม่อยากเอาชนะฆาตารใครใคร ทำไปตามเหตุตามปัจจัยใจเป็นกลางกลางเอาไว้นี่เขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดชอบความดำริชอบจากนั้นก็เจ้ามีการสัมรวมวาจาสัมมาวาจารวมกายมีกรมมาสัมมากัมมันโตคือสัมรวมกายการกระทําทางกายไม่ให้ผิดพลาดบกพร่องแล้วก็ความชีวิตความเป็นอยู่ให้ต่อหน้าที่ของตัวเองเขาเรียกสัมมาอาชีวะอาชีพการเลี้ยงชีวิตการดําเนินชีวิต เราเป็นแม่เราก็ดูแลลูกของเราดูแลสามีเราเราเป็นพ่อก็ต้องทําหน้าที่สามีทําหน้าที่ของพ่อดูแลลูกดูแลญาตินี่เนยเนี่ยอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนี่กว้างมากเรียกว่าเป็นเป็นหลักของการดําเนินชีวิตเลยเรียกว่าถูกต้องไปหมดเลยแต่ว่ามันประมวลเข้ามาแล้วเรียกว่ามีชีวิตถูกต้องสัมมาอาชีวะอาชีพถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามพยายามยืนยันอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเอาไว้ ถ้าไทยยืนยันพยายามที่จะเอาธรรมะเข้ามานะจะเจริญเลยนะไม่ต้องไปต้องการให้มันรวบรัดรัดสั้นอยากได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องก็จะเอาอ่ะไม่ถูกต้องนี่แหละมันจะบั่นทอนเรานะแต่ถ้าหาว่ามันถูกต้องนะถึงจะเหมือนกับว่าเอ้ยมันจะเนิ่นช้าเหมือนเหมือนมันเสียโอกาสไปก็ตามเถอะแต่ว่ามันจะทําให้เจริญรุ่งเหรืองขึ้นอันนี้จําไว้เลยนะนี่หลักธรรมของมูเจ้าเลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมะเนี่ย มันจะสมบูรณ์ที่สุดเลยนะแล้วมันจะลงตัวที่สุดเลยถึงดูว่าเออถึงจะเอามีปัญหาอะไรก็ตามน ะ, ะบางครัง้งบางคราวเนี่ยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นฝ่าอาธรรมนี่มันจะแข็งแข็งก่อนนะทีแรกนะเหมือนกับโอ้ยมีกําลังมากมายเลยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งนี่พยายามเอาทําไหมเอาทําไม่เอาทำไห ม, เ, ไมเนี่ยนานเข้านานเข้าสู้ทําไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้เคยทดลองมาแล้วนะเราเคยทดลองมีปัญหาขึ้นมายกจิตขึ้นมาแล้วก็ประ ก, กาศออกไปเฉยเฉยนี่แหละ ยกจิตของตัวเองขึ้นมาเลยอเอาล ะ, ะเราจะไม่พึ่งอะไรทางนั้นเราจะขอพึ่งธรรมคืออยู่บนพื้นฐานความถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเราไม่เอาเลยนะอะไรมันถูกต้องก็จะพยายามดําเนินไปตามนี้และเราจะขอพิสูจน์ว่าระหว่างธรรมกับอาธรรมอันไหนจะเป็นฝ่ายยั่งยืนเป็นฝ่ายชนะแล้วก็วางเฉยเลยนะแล้วเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเดี๋ยวนี้มั่นใจเลยว่าธรรมแน่นอนยืนยัน เพราะพิสูจน์แล้วว่าต้องธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตของเราด้วยอาศัยธรรมะอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นหลักไว้เนื่องจากว่าจิตเรายังไม่เป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดบางทีเราก็คิดว่าเราถูกเราดีแต่จริงๆแล้วบางทีมันมั น, ม, นมันไปโอ้อนุโลมตามกิเลสก็มีนะอนุโลมตามความหลงของเราก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อให้แน่ใจต้องหมั่นศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วชีวิตของเราเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เองนะหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะอย่าไปคอยตามไอ้พวกอำนาจของกิเลสปัญหานะจนมันสูญเสียความเป็นธรรมนะแล้วมันจะบั่นทอนชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะใช้หลักธรรมเข้ามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแล้วชีวิตเราจะเจริญขึ้นทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติต่อต่อไปเมื่อกี้บอกว่าเวลาฟังธรรมแล้วจิตมันมีกําลังขึ้นมาก็คือกําลังอธิบายว่า อริยมรรคมันเข้ามาประกอบอยู่ในจิตตัวสติก็มีกําลังสัมมาสติตัวสมาธิมีกําลังเป็นสัมมาสมาธิตัวสัมมาวายามะความเพียรความพยายามในจิตเราก็เป็นกําลังทําให้จิตนี้มีกําลังขึ้นรวมทั้งความเห็นที่ความรู้ความเข้าใจเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่ของเรารวนเข้ามาทำให้จิตของเราเป็นอิสระขึ้นมันเหมือนมันถอยออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายมันไม่อยากให้จิตเราไปกกเกาะเกี่ยวอารมณ์ ไม่อยากให้มีอารมณ์อะไรมาครอบงำจิตจิตก็อถอยออกมาถอยมาเวลามันถอยออกมาแล้วมันฟังอยู่เนี่ยมันฟังด้วยตัวสมาธิมันมีสติมันมีสมาธิเรื่องกับจิต ม, ม, มีกําลังมีอารยมรรคอยู่ในจิตแล้วจิตก็มองเห็นกายด้วยว่าเออกายก็อันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งฟังก็ฟังไปแต่เนื่องจากว่าจิตมีกําลังเนี่ยขณะที่ฟังอยู่มันก็เห็นกายเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นไปด้วย อันนี้หมายว่าจิตของผู้ปฏิบัติมีกําลังมีกําลังเพราะอํานาจของอริยมรรคมีองค์แที่เราฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติรวมเข้ามาที่จิตทําให้จิตเนี่ยเหมือนมีตามีตาก็คือว่ารู้รู้ได้รู้กายบ้างรู้เวทนาบ้างรู้จิตรู้ธรรมหรือว่ารู้ว่าขันห้ามันทํางานกันอย่างไงสุดท้ายอริยมรรคมีองค์แอันนี้จะรวมเป็นหนึ่งแจ้งชัดในเรืสส่สงศีแล้วถึงจะประหารกิเลสได้นี่คือรวมลงที่การหลักทางของผู้เจ้าเลยนะ เป็นทางเดินของการประพฤติปฏิบัติเป็นการเดินทางของจิตเพื่อที่จะให้มันรู้ความจริงรู้ความจริงถ้ามันรู้แจ้งอนยศีในครั้งแรกเนี่ยเขาจริงเรียกว่ามีตาจากคุ่อุตตปาฏิเนี่ยมันว่าตาเกิดขึ้นแล้วเหยานังอุตตปาฏิญาณเกิดขึ้นแล้ววิชาอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุตตปาฏิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็คือหมายาว่า จิตเราเนี่ยพอพุทธปฏิบัติจน จ, ตนนนตจนจิตเนี่ยอริยมรคมีองค์แปมันมีกําลังมากขึ้นสติมีกําลังมากจนจิตเนี่ยไม่เผลอเพลนไปทางไหนเนี่ยมันไม่ใช่ตลอดไปนะเฉพาะช่วงที่มันมีกําลังเต็มที่ของมันเนี่ยสัมมาสติทําหน้าที่เลยไ๊่จิตไปไหนไม่ได้เลยมันอยู่แ น, น่แน่ของสติสมาธิแน่นหนามันคงมากจิตไม่เผลอเผลนไม่สัดสายไปทางไหนเลยแน่วแน่อยู่อย่างนั้นสัมมาทิฏฐิเห็นชัดเจนหมด เห็นกายเห็นดุทนาก็เห็นกายเห็นจิตไปพร้อมกันเลยดูสิสถีประธานสีนี้เป็นหนึ่งเลยมรรคแปดก็เป็น1เหมือนกันรวมตัวเข้ามาอยู่ที่จิตหมดเราจะรู้สึกเลยว่าอุ้ยจิตของเรานี่มันแคล่วคล่องว่องไวมันมองในรอบคิดนอกทางเลยนะอะมองดูกายก็เห็นชัดแจ้งเลยว่าเรานั่งอยู่ยังไงจิตอยู่ยังไงเสียงอะไรมาก็ได้ยินแต่ว่ามันไม่สามารถดึงจิตเราออกไปได้จิตเราไม่ถะลําไปทางไหนเลยอะแน่วแน่มั่นคงอยู่ อันนี้อํานาจของอริยมรรคในงค์แปดที่มันมีกําลังนะสัมมาที่ฐิก็อยู่ตรงนั้นสัมมาสังกปะอยู่ตรงนั้นพวกสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสสัมมาชีวัก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่จิตเราเลยสัมมาวายามาสัมมาสติสามมาส ม, มาธิรวมลงที่จิตเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันจะมาลงที่จิตหมดเลยถ้าจิตมีกําลังแล้วแต่ใหม่ๆหนี่มันยังไม่มีกําลังก็ธรรมดานะจิตมันก็เร็วเนี่ยอย่างธรรมชาติจิตมันต้องนึกคิดปรุงแต่งเดี๋ยววับไปทั้งน่นมันไปรู้อารมณ์อะไรก็็กกออไไปปรรรูู้้้้แลวถาาสติเี่อนมก็ ทะเลถลาไปอีกคูุงต่อไปอีกมันเห็นปั๊บในจิตเราเนี่ยในจิตเรามันไปรู้อารมณ์ปั๊บวิญญาณน่ะวิญญาณน่ะสุวตาเห็นปั๊บในตามันก็มีสัญญามก็รู้โดยเป็นหญิงเป็นชายเป็นแขกเป็นพม่าเป็นไทยเป็นอะไรปั๊บมันก็ไปทีนี้สติเราคุมไม่ไม่ทันมันเพราะมันเร็วมากเลยนะมันก็ปุงไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไหลไปเพลินไปออกจากสิ่งที่เห็นนี่มันก็เอาไปไปจดจําเรื่องเก่าๆเรื่องโน้นเรื่องนี้นแหละมันเพลินอยู่ตลอดในจิตเรา แต่ถ้าหาว่าสติเราดีนะพอได้ยินปับ๊บหรือเห็นปับ๊บมันก็รู้ว่าเห็นมันก็หยุดเขาเรียกว่าจบตรงตรงที่เห็นตรงผัดสัตว์เขาเลยมีตาตามันก็ไปกระทบรูปรนะูปก็คือว่าเอาสิงทั้งหลายละ่ะสิ่งที่สิ่มันจะเข้ามาให้ตาเห็นน่ะแสงสว่างนี่ไปกระทบรูปนั้นกระซอดสะท้อนเข้ามาหาตาเราตาเราก็แปลภาพนั้นแปลสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นภาพตามที่แสงกระทบเข้าไปมันก็เห็นว่าเป็นภาพคนนั้นคนนี้คนนั้น สัญญาเราเคยจดจำเอาไว้มันก็รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายมาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็มีสังขารอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้พวกวิญญาณมันรวดเร็วมากเลยนะมันมันอยู่ในจิตเราอ่ะแต่ถ้าถ้าเราฝึกฝนนี่มันจะทันนะกำลังของสติกําลังของสมาธิปัญญาเราเนี่ยมันจะครอบคุมได้นะจิตพับอาการมันยึกยักยังไงเห็นหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ในอํานาจของสติของเราครับก็รวมๆว่าเป็นสตินั่นแหละแต่ว่าที่จริงมันเป็นเรื่องอํานาจของอริยมรร แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเริ่มต้นฝึกสติสติสติมันก็เลยตัวสติเหมือนครอบคุมอยู่อ่ะเหมือนควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เพราะนั้นเราจึงถือว่าให้มันอยู่ในสายตาของสติอยู่ในกรอบของสติทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันอยู่ในกรอบของสตินี่ถือว่าใช้ได้ทีนี้เมื่อสติมีกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ยสมาธิก็มีกําลังด้วยมีกําลังสัมปัจฉญญามีกําลังแล้วมันรู้กว้างขึ้นความรู้สึกตัวนี่ขยายออกหรือเขายึงเรียกมีสติมีสัมปัจฉญญะ อะไรเกิดขึ้นปั๊บมันรู้รู้ด้วยรู้จิตเราด้วยรู้รอบๆอบด้วยไม่ถลําเข้าไปในอารมณ์ทั้งหลายมีเรียกว่าจิตเรามั่นคงนะ่ะมีกําลังมากมันจึงรู้อารมณ์ได้และมันจึงเห็นว่าเอออารมณ์ทั้งหลายนี่มันอยู่ตามธรรมชาติมันเห็นเพราะอะไรเพราะจิตเข้มแข็งจิตไม่ถลําเข้าไปไม่ไหลไปไม่มีอะไรดึงดูดจิตไปได้มันจึงมั่นคงอยู่ได้เห็นว่าเออเกิดแล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปมันจึงกลายเป็นปัญญายญาณได้จิตเราจึงปล่อยวางได้ เพราะยังเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยเรี่ยจิตเราอยู่ระดับไหนไม่เป็นไรอะ่ะแต่ว่าเรากําลังได้เดินตามทางของพระเจ้าแล้วอย่างน้อยจะมาแล้วคราวนี้นะใครรู้จักทางเดินของชีวิตนะรู้ว่าต่อไปเราต้องหาทางออกแล้วให้มันพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากวัตฏะทุกอันนี้เรียกว่าตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่สุดเลยนะเพราะพระผู้เจ้านี้อุบัติขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะเพราะพระผู้เจ้านี้ดาริกขึ้นมาแล้วว่าอุย้ยทําไมเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเนี้ย แล้วแล้วแล้วจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้ยังไงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าสามารถพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้พ้นจากสิ่งที่เป็นธรรมดานี้ได้ก็คือไม่ให้จิตของเราไปหลงไปยึดไปติดไปคล้องหรือในชาติปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันก็ไม่ต้องต้องกลัวการเกิดกลัวการแก่กลัวการเจ็บการตายต่อไปอย่างน้อยให้เป็นอิสระไป มันมีบ้างก็าอาให้รู้ทานมันการรักษาจิตไว้ไม่หลงยินดียินร้ายอันนี้คือตอบคำถามแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมยืดยาวน ะ, ะแล้วมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติ ม, ตมถามได้พระอาจารย์คะเมื่อวานที่สุก ด, ดีไม่ได้ใช้ขูดฟังแต่มีเสียงมามากมายแต่ก็สามารถเลือกคือเราสามารถเลือกฟังเสียงได้คือยินเสียงพระอาจารย์เป็นหลัก อ, อันนี้ก็บจิตก็มีกําลังเหมือนกันน่ยเพราะว่าเราสามารถควบคุมจิตเราได้แต่เรื่อง เราก็ฟังตั้งใจฟังเสียงที่มันมันพอดีกับจิตเร า, าเราสามารถให้จิตของเราฟังในสิ่งที่เราต้องการเสียงอื่นเราไม่ต้องการมีขนาดไหนเราก็รู้ว่ามันมีเนี่ยมันก็เกิดดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้ก็ใช้ได้สแสดงว่าจิตมีกําลังมากมีกํำลังนะเหนืจะเล่าสภาวะธรรมบนันทึให้ทราบเล่าสภาวะธรรมเอาเล่าได้จ<ะ>ิตตอนที่อยู่ในสภาวะนั้นคิดบางสิ่งนอกากนักเรียนกด ของปัสสาวะมากค่ะตอนนี้แต่ก็ไม่ไม่กล้าที่จะรู้กันค่ะเพราะว่าจะตัวอย่างอ่า แ, แล้วก็ดูดูไวไ้่ปแล้วก็จะดูว่าเป็นยังไงในขณะเดียวกันสมาธิมันก็เกิดแล้วนะตอนนั้นสติมันก็ตั้งมั่นอยู่ค่ะก็ะปรากฏว่าก็ยังคงได้ยินเสียงคาสั่งสอนของพระอาจารย์อยู่เข้ามาแล้วยิ่งยิ่งนั้นแบบนั้นเมื่อกำลังสติเลยสมาธิมากขึ้นน่ะเสียงของพระอาจารย์กระทกอยู่ที่หน้าอยู่ที่ตรงหน้าแบบ เหมือนกับพระหนูนั่งเฉียงพระอาจารย์มาอย่างนี้แต่เหมือนเสียงพระอาจารย์อยู่ตรงหน้าของหนูแบบพูดที่ตรงหน้าใกล้ ม, มากค่ะเออดูกําลังของสมาธิก็เป็นอย่างนี้นะพลังเข้ามาตรงนี้นค่ะมรงนั้แล้วก็รู้ตัวรู้ถึงการปวดแล้วก็รู้ถึงการคําสอนของพระอาจารย์แต่ก็รู้ว่าตัวเองมีกําลังของสมาธิอยู่เพราะว่ามันมีกระแสะข้างในอยู่แต่ว่าก็ปวดก็รู้่แต่ว่าสามารถที่จะ กั้นเอาไว้ได้ก็นานนานนานมาอนี้เป็นพราะกำลังของสมาธินะสมาธิบางทีมันก็ไปควบคุมกายแนะปักสมมติาดูในร่างกายบางทีก็ทนทานบางทีบางทีปวดปัสระอุจจาระเฉยได้เลยนะแต่ถ้าธรรมดาทนไม่ไหวนะแต่ถ้าในสมาธิแล้วบางทีมันมันจางคายไปบางทีมันหายไปก็มีนะปัสสวะบางทีนั่งได้ทั้งคืนอ่ะเหี่ยปัสวะอยู่ดีๆปวดอุจจาระอยู่เยนั่งมันลงไปเลยนั่งแล้วดูมันเฉยๆนั่งเพนไปอย่างเนี้ หลายชั่วโมงยุคขึ้นมาปัจจุบันอุจจาระหายหมดเลยม่รูมันหายไปไหนเออนี่ก็แปลกดีนะมันหายได้จริงๆนะอ่า<ต>อันนี้จิตดีายได้ด้วยใช่ไหมคเออใช่ใช่ก็คือจิตไม่ยินดีนี่ร้ายนี่คือจิตที่เป็นสมาธิรวมทั้งจิตเนี่ยเวลามันเป็นสมาธิเราฟังธรรมอยู่เออมาเสียงธรรมเหมือนมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเหมือนอบางทีนี่เหมือนกับฟังเฉพาะหน้าเลยนะแล้วก็ฟังธรรมครูบาอาจารย์นั่งสมาธิไปพอจิตมันแน่วแน่เข้าไปเนี่ย เหมือนเปเสียงโดยตรงเลยนะเหมือนกับมาพูดกับเราโดยตรงเลยอั้งหน้่ะอาจาใช่อันเป็นได้เป็นได้มีกําลังของสมาธิกําลังของอของสภาวธรรมที่เราปฏิบัติบางทีเสียงธรรมเนี่ยมันไปตรงกับของผู้เจ้าเหมือนผู้เจ้าเทพีต่างหากเลยนะเหมือนฟังธรรมผู้เจ้าเลยอ่ะนั่งนิ่งเฉยเอออันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เนี่ยเด้วยด้วยการปฏิบัติของเรามันก็จะมี มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะผลของการปฏิบัตินั่นเองว่ากําลังของอริยามรรคมีองค์แมันมีกําลังแล้วมันก็มีอะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราได้การนั้นสมาธิที่วัดก็ไม่หวั่นไหวค่ะแม้ว่ า, ม า, วาเมื่อวันที่เมื่อวานนะที่ป่าก็น่าจะมีเสียงเสียงสวดมนต์เสียงอะไรอย่างนี้นก็ดีแล้วนะแสดงว่าเราแน่วแน่ไม่หวั่นไหวดูที่คำสอนของพระอาจารย์นะครับคำสอนก็เตือนด้วย มีมีเสียงเตือนด้วยไม่ให้วันไหวกับอะไรให้ตัดเข้าไปหาจิตเพราะนั้นมีสิ่งอะไรยิ่งมันมาทดสอบอย่างนี้เราได้รักษาจิตเราเนี่ยยิ่งมีมันมันสองเท่าเลยนะอันหนึ่งมีเครื่องทดสอบเราทิ้งจิตเราได้เราเปลี่ยนจิตของเราได้อย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยมีกําลังมากเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นเราเราเร า, เรามาข่าวนี้เราจินเน้นให้ให้ถือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการปฏิบัติหมด mm hmm. เพราะว่า มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนะเอาความจริงประสบการณ์ตรงเลยนะเราแก้จิตเราได้โดยอาศัยเนี่ยอะไรรับฟังธรรมะด้วยปีติที่เกิดจากอาสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรมันรวมประมวลเข้ามาเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราคุณค่าต่อจิตใจของเราคนท่าท่าตั้งรับดีๆเนี่ยบางคนกลับไปไม่ได้กําลังเลยนะสามารถไปบัติต่อไปได้อีกนะต่อเนื่องไปได้เลย บางคนมาแล้วโอ้โจิตมันเปลี่ยนก็มีนะกลับไปแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมีเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครตั้งใจดีๆนะพยายามอาศัยอนุภาพของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็ความตั้งใจของเราบุญเก่าของเรามีทําให้เรารู้ว่าเออต้องรีดสร้างบุญใหม่เพราะบุญเนี่ยมันประบวนเข้ามามื่ได้หายไปไหนอะ่ะแล้วมันก็ผลักดันทําให้เรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราก็ต้องพลิกจิตเปลี่ยนจิตเราอยู่ตลอดตั้งท่ารับดีๆเท่านั้นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างเดียวมันก็กลายเป็นธรรมะไปหมดเราไม่ต้องไปกังวลไปอะไรกับใครละ่ะตั้งใจอย่างเดียวเลยเราจะเอาธรรมะใครจะว่ายังไงมาไหนมันจะมาประเสริฐเท่าธรรมะละ่ะอันไหนจะสูงส่งเท่าธรรมะละ่ะแค่นั้นเองพอเราเป็นธรรมปับ๊บทุกอย่างเปลี่ยนเองเลยง่ายๆสบายๆดูดูเลยก็ได้ใครจะเป็นยังไงก็ตามถ้าจิตของเรามันเปลี่ยนเป็นธรรมะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็สบายอยู่ในจิตของเราแล้วเป็นอิสระแล้วคนจัดไอ้เรื่องราวทั้งหลายไปได้แล้ว ตอาี้อยู่ไหมออแบม้าาแล้วเข็ตอเรื่องหัใจที่ทำให้มีขาแล้วก็มพูดว่าทีสกิปัญญาแล้วก็มีสติปามกัคาก็เป็นมาก่อนสติปาคือ่เป็นอาหารเนะเนี่ยรู้ว่าในแง่ของการสติบัติมันต่างกันยังไงน คือคือสติปัฏฐาน4ี่มันเป็นทุ้นทางของการปฏิบัติเวลาพูดถึงโพธิปักฐิยธรรม37มสิบประการเนี่ยนะทางที่จะปฏิบัติเพื่อให้ตัสรุปธรรมบรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องพูดสติปัฏฐาน4ก่อนเพราะว่าตัวสติเนี่ยมันสําคัญมันมาก่อนเพื่อนเราพูดถึงสติทีนี้พอสติเริ่มมีกําลังขึ้นมาเนี่ยไอ้ไอ้สติมันมีกําลังความรู้สึกตัวมันก็เลยกว้างขึ้นมันก็เห็นกว้างขึ้น ไอ้ตัวที่มันกว้างขึ้นมันก็เลยรู้อารมณ์ได้มากขึ้นตัวที่มันเป็นรู้เรื่องราวมากขึ้ น, น, เ, น, เ, ขนเขาเรียกว่าสัมป่ชัญญะคือตัวปัญญาแต่เป็นปัญญาอ่อนๆมันยังคไม่ใช่ปัญญาขั้นที่จะทําให้จิตเราเป็นอิรสระได้แต่เป็นปัญญาที่ทําทให้เรารู้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราเร า, เราเริ่มมีสติพอสติมันเริ่มมีกําลังขึ้นมาเรารู้ว่าเฮ้ยไอ้สติเราดีขึ้นนะไอ้ตัวที่ความรู้ที่มันทพิมขึ้นม า, นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสัมป่าชัญญะไอ้จิตเราเนี่ย เราเริ่มนิ่งแล้วนะนี่ตัวที่ไปรู้ว่านิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปะชัญญาหมายว่ามันมีสติต่อมาก็มีสติสัมปะจนสติสัมปะชัญญาฟินมาพวกนี้สติสัมปะชัญญานี่มันเป็นอาหารมันเป็นอาหารของสติฐานสีใช่ไหมเขาว่าอย่างไงเขาว่าไ ง, เ, าาไง เ, ปเป็นเป็นอาหารของต่ว่ามพูดสื่งจริอย่างไรก็เป็ปก็คือว่าอันนี้อันนี้การปฏิบัติธรรมนี่บางทีเราพูดพูดพระพุทธเจ้าก็สอนหลายๆอย่างตามอัธยาศัยอ่ะอันนี้พระสูตรบางพระสูตรก็พูดถึง พูดถึงว่าเออคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยหนึ่งต้องไปคบสัตบุรุษเข้าไปหาเข้าไปหาผู้รู้ผู้รู้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมารู้ธรรมรือหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมแล้วสามารถสอนตรงกับพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็ทําให้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วก็ทําให้มีโยนิโสมนสิการคือไต่ตองธรรมอ่ะคําว่าโยนิโสมนสิการหมายว่ามณสิการเนี่หมายว่าใส่ใจหรือคิดคิดโยนิโสนี่หมายว่ามั น, น, ม, าา น, ม, นมันตรงกับหลักธรรม คิดตรงกับหลักธรรมคิดตรงกับความจริงพวกโยนิโสมือความจริงเรามีโยนิโสมโยนิโสมะซิการ่ามันเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมันก็จเจริญขึ้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะและการสำรวมระวังการระวังเนื้อระวังตัวก็จะดีเพราะว่ามันมีสติสัมปชัญญะแล้รักษาจิตได้เวลากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสติสัมปชัญญะมันไปควบคุมจิตเอาไว้ได้เดียกว่าการมีสติสัมปชัญญะนี่มันคุ้มครองมันมันคุ้มครองอินทรีย์ได้ มันไม่ถห้ถลายไปกับเรื่องราวต่างๆที่มันมากระทบกับเราเมื่อคุ้มครองอินทรีย์ได้มันก็เป็นอาหารของการที่ไปทําสิ่งไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเราทําดีถูกต้องเนี่ยกายของเราก็บริสุทธิ์วัจจีเราบริสุทธิ์จิตเราบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อสติปัญญาน4ี่ถ้าหาว่าเรามีความถูกต้องขึ้นมาเนี่ยการจเจริญสติปัญญาสีมันง่ายเพราะฉิตเรามันสบายสบา ย, สบายเนี่ยสติรักษาใจได้ ก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเมื่อสติปัฏฐาน4ีมันมันบริบูรณ์ขึ้นมันบริบูรณ์ขึ้นมันก็ทําให้โพชฌงค์เจอย่างคือองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมเจ็อย่างนี้บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ไอโพชฌงค์เนี่เป็นอาหารของวิชาและวิมุตติหนะมายงว่าไปสู่ความหลุดพ้นอันนี้โพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคเนี่ยเขาหมายถึงอันเดียวกันอันนี้เพราะว่ามันมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือเห็นความจริงนั่นแหละ ว่าเกิดดับลุบนามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยแล้วก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์ปีจิตสัมโพชฌงค์ปัจสถานิสัมโพชฌงค์แล้วก็มี อ, อุเบขาสัมโพชฌงค์มีสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบขาสัมโพชฌงค์ก็คือมันเป็ น, เ ป, นเป็นอายมรักในแหละแต่พูดในแง่มุมของการที่จะเป็นคุณสมบัติของจิตที่จะทำให้บรรลุธรรมเพรา ะ, ะนั้นโพชงค์เจนี่ยมันก็เลยเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าใครใครไม่สํารวม ไม่สำรวมวินซีอ่ะไม่สำรวมวินซีเนี่ยเขาเรียกเป็นอาหารของวัจีทุจริตมโนทุตจริตกายะทุจริตพอไม่สำรวมปั๊บมันก็ไปทําในสิ่งไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของพวกอนนี้วันห้อย่างรัฐธลําไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องมันจะวัดเข้ามาเรื่อยนะปงแต่งเงี้ยเขาคิดไม่ถูกเนี่ยเอาแค่ความคิดอ่ะเราคิดไม่ถูกหลงไปมีโกรธใครขึ้นมาบ้างไม่พอใจใครขึ้นมาบ้างขุนเคืองขึ้นมาบ้างอิจฉากันบ้างพยาบาทกันบ้างอย่างเนี้ย มันก็จะบันทอนนิวรณหเนี่ยมันมีอาหารก็คือการไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาหารของมโนทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตเมื่อมันมีมโนทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตมันก็ทําเป็นเป็นอาหารของนิวรณหมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาอย่างอย่างเช่นว่าเอ้ามันมัน มันคิดไปในทางเรื่องกามจะเอานู่นเอานี่เนี่ยมันก็จะเป็นกามะฉันทานิวร์มันโกดเครื่องคนนั้นคนนี้มันก็เป็นพยาปารนิวรณ์ถ้าหาว่ามันไอไอมันมันมันพึ่งสร้างไปมากมากจิตไม่มีกําลังมันก็เป็นอาหารของถีนมิทานิวรได้มันก็มีหลายปัจจัยเช่นอาหารการกินมากทับร่างกายมากระบบประสาทเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจิตอ่ะเพราะว่ามันตึงมันอ่ามันเมาสภาพมันไม่พร้อม ไอจิตมันจะคิดน้อมไปทิจารณาอะไรมันก็ไม่ชาติเพราะว่ามันไม่พร้อมมันมึนมึนมึนมันตึงตึงตึงใช้จิตใช้มันก็ไม่สะดวกเนี่ยมันก็เลยเป็นอาหารถีนามิทามิบอนถ้าหากว่าเออเราเราไม่สำรวมจิตเราสัดสายไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็กลายเป็นอาหารของอุทจักกุจจักมิบอนถ้ า, าว่าเราไม่ทําความเข้าใจธรรมะบ่อยๆให้เข้าเข้าใจมันก็เป็นอาหารของวิจิ ก, กิชานิบอนความลังเลสงสัย นี่นเพราะนั้นมันมีทั้งอาหารของนิวรณ์และก็มีทั้งอาหารของสติปัฏฐานสี่พวกนิวรณ์นี่มันก็เป็นอาหารของวิ ช, ชาของอวิ ช, ชานิวรณ์นี่เป็นอาหารของอวิ ช, ชาอันนี้บางทีพระเจ้าก็สอนที่จริงก็เรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าท่านสอนให้เหมาะกับทายาศัยบางคนถ้าพูดแบบนี้เข้าใจขึ้นมาเออรู้ระบบของการปฏิบัติบอกเออถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติธรรมนี่เราก็ต้องเริ่มคบกับผู้รู้ก่อน ศัตบุรุษผู้ที่จะสอนธรรมะให้กับเราร่างอธิบายทําให้เราเข้าใจบ้างสามารถเอาไปปฏิบัติได้เมื่อเข้าไปครบแล้วก็ต้องฟังด้วยฟังแล้วก็สงสัยก็ซักถามซักถามแล้วจิตเรามันเกิดความศรัทธาขึ้น ม, มันรู้ขึ้นมาแล้วมันศรัทธาขึ้นมามันก็เอามานึกนเอามานึกเออจริงนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่บางคนม า, มาบอกว่าเออฟังธรรมแล้วก็แห ม, มเข้าใจเลยว่าเกิดตายเกิดตายไม่ได้อะไรเลยเนี่ย น, นีนน่แหละมันเอามาไต่ตองเขาเรียกมียู่ยในสมานสิการ สติสัมปนปัญญาของเราก็คุมอยู่คุมอยู่รู้อยู่ดูอยู่ไอไอสติสัมปนปัญญาเรามีกําลังขึ้นมาเนี่ยมันก็มาคุ้มคลองตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบอารมณ์ก็รู้สึกว่ามันรู้ทันเร็วขึ้นปุ๊บป๊บค่อยคว บ, บ, บ, บคุมจิตเร า, าเห็นแต่ก่อนเห็นอะไรมันมีแต่จะวิ่งออกไปก่อนแล้วไหลไปแล้วปรุงแต่งเอาแต่เรื่องข้างนอกมาปรุงแต่งแล้วคราวนี้มันยับยั้งไว้ไ ด, ด้มันหยุดมันหยุดมาคิดกับคิดในเรื่องที่มันมันทำความเข้าใจอยู่นี้ เขาเรียกว่ามีโยนิโสมัสิการคิดตรงหลักธรรมและตรงหลักความจริงแล้สติปัฏฐานสติสัมปชัญญะเราก็เจริญขึ้นก็มาคุ้มครองไอซีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อคุ้มครองแล้วมันจะไปทําผิดผิดมันก็ไม่ทําแล้วทีนี้เรายับยั้งได้เราควบคุมได้แล้วเนี่ยอย่างนั้นสติปัฏฐาน4ี่มันก็บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วเนี่เพราะนั้นเพราะนั้นไอสติปัฏฐาน4มันก็เป็นอาหารของโคดโชว์หรือาบางทีก็เป็นอาหารของอาญามักมีองแฝดนั่นแหละมันจะทําให้เราบารรลุธรรมได้ เมื่อพวกชงมันมันบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยพวกชงมันเป็นอาหารของวิชาลและวิมุติเพื่อความพ้นทุกข์ฟางฟางคนนี้เขาฟังอย่างนี้แล้วเขาเข้าใจเลยนะเข้าใจระบบของการปฏิบตัติว่าโอ้การใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องดําเนินอย่างนี้แล้วพวกนีก็สอนด้วยว่าเขาไม่คบสัตบ์รุเมื่อคนสัตว์ดุก็ไปคบแต่พวกที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าทํายังไงให้ดับทุกข์ได้ไม่รู้เรื่องทำยังไงจิตเราจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้ก็หลงทำผิดผิดไ ป, ดไปเพื่อเพลินไป อะไรถูกต้องไม่ถูกต้องจะทําไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรไม่ได้ยินไปฟังธรรมะของพารียาเจ้าไม่เข้าใจหรอกแค่ไอ่ไอ่เนีน่ยคนเราเกิดมาต้องตายอย่างนี้มันไม่เข้าใจนะว่าเหมือนตัวมันจะไม่ตายเลยเ อ, อ่ะเที่ยวไปอิจฉาริษยากันเข็นข่ากันลังแกกันมันก็ทําบันทอนชีวิตของตัวเองได้เฉพราะนี่แหละมันคือไม่ไม่ไม่ได้ฟังธรรมของพระาริยาเจ้าถ้าฟังธรรมของพายาเจาปั๊บมันก็เอืน่น ไปในทางที่รู้สึกว่าเออมันไม่ควรที่จะไปมีอะไรมากมายเลยนะจิตของคนเราเนี่ยทำยาังไงจิตเราดีขึ้นทำาห้จิตเราเป็นอิสระหลุดพ้นไปดีกว่าทำยังไงจิตเราไม่มีทุกข์แค่จิตไม่มีทุกข์นิ่มันก็เบาสบายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะน้อมไปในทางนี้เพราะฉะนั้นการไม่คบสัตัปุรุษก็ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของสตัปุรุลหรือของพระพุทธเจ้าไม่มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็ไม่มีโยนิสสมรริการไม่มีโยนิสงส์มรรคการ ก็ไม่มีสติสัมปัญญะไม่มีสติสัมปัญญาก็ไม่มีการสัมรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไม่สัมรวมอินทรีย์ก็การทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจก็เกิดขึ้นก็เป็นอาหารของนิวรณ์ห้าปุงแต่งไปทางที่จิตใจจะเศร้าหมองขูนมัวที่จริงหลักสูตรอันเดียวกันเลยนะแต่ว่าพูดพูดกันอี ก, อ, กอีกระบบหนึ่งพูดถึงถึงอี ก, อ ก, อกบางคนอะ่ะเขาพูดอย่างนี้แล้วมันมันเข้าไปในจิตเถ้าผู้เจ้าก็พูดตามอัธยาศัย แต่เราก็ฟังไปเรื่อยอันไหนมันมันรู้สึกว่าเออเรามันทพวดีกับจิตเราเราก็รับเข้าไปก็รับเข้าไปเพราะว่าไม่สามารถอยู่ด้วยธยาศัยกันเหมือนพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ตอบคำถามอ้านี่ไหมพระเจ้าค่ะที่ว่าเจ้าบอกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายค่ะนี่กะถามว่าการที่เรามีอะไรมากระทบเราแล้วเรารู้สึกเลยแล้วเราเข้ามาพิจารณาพิจกับว่าดูอยู่ข้างในเนี่ยมันใช่ความไม่ยินดีไม่ใช่ใช่ใชมันไม่ยินไม่ยินดีไม่ยินร้า ย, ม, ย, ม, ยมันไม่ถลําไปกับเรื่องราวที่มากระทบ ถ้ามันยินดีมันจะถล้ำไปยินทางยินดีจะเอาเข้ามามันก็ปรุงแต่งไปจะเอานู่นเอานี่อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันมันก็ไม่ไม่ไม่สามารถมาดูได้ว่าเอ้ยอารมณ์อันนี้เกิดแล้วก็ดับนะไม่ใช่เรานะมันมันพิจารณาไม่ได้นะลืมไปยินร้ายอย่างนี้มันก็ไปทางยินร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นอย่างนั้นมันปรุงแต่งไปวนเวียนอยูใ่ในจิตแต่อันนี้เรามีหลักปั๊บจิตเรามั่นคงปั๊บจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับน้อมเข้ามาเอออันนี้เกิดแล้วก็ดับเออธรรมดานะเขาก็อยู่ของเขา ธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็ทําไปสําคัญเป็นจิตเรานี่มันก็จะมารักษาจิตเราจิตเราก็เฉยๆเป็นปกติเป็นอุเบกขาอุเบกขามีปัญญาประกอบควบคุมอยู่นี่เขาเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำไมโคชงเจ็ดได้ชื่อเป็นองค์การอันนี้อันนี้โพชงเจนี่น ะ, ะคืออย่างนี้โพดชงเจดนะจะอธิบายก่อนโทธิบวกองค์คะ โพธิที่บวกอังคะก็ได้โพธิแปลว่าความรู้หรือการตัดสรู้องค์คะองค์องค์ที่จะให้ทําให้เกิดการตัดสรู้ทีนี้มาฟังดูว่าสติสัมโพชงตัวสติเนี่ยหมายว่าสติเนี่ยมันต่างจากสติปัฏฐานสี่ยังไงสติปัฏฐานสี่คือสติสติเบื้องต้นอ่ะสติไล่จับจิตอยู่ค่อยควบคุมจิตอยู่เอาค่อยๆเอามาดูนู่นดูนี่ดูแล้วก็เผลอเพลินไปแต่สติสัมโพชงนี่มันจอดเลยนะมันสามารถตามไปได้เลยนะว่าเอ้ย เมื่อกี้เนี่ยเราไม่สบายใจเพราะอะไรเนี่ยมันมีเกิดความไม่สบายใจมามันปับ๊บมันมาดูอ๋อเป็นเพราะเรากระทบอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยมันมันกระทบอารมณ์แล้วมันก็เกิดตัวตนขึ้นมาแว บ, บหนึ่งเหมือนกับว่าเอ้ยเราได้วกว่าเขานี่มันตามทันแบบนี้เลยนะเรนนิดถึงอดีตได้ด้วยสติเนี่ยมันไปนล้วงเอาเอาเอาเอาเอ า, เอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือแม้คําพูดก็ตามเราพูดปั๊บไปตอนแรกเราพูดนี่เราพูดด้วยเจตนาดีๆนะสบายๆเลยนะไม่ได้มีอะไร แต่พอไปนึกทีหลังปั๊บขึ้นมาเอ้ยไม่สบายใจขึ้นมาเอ๊ยเราพูด<ห>ทําไ ม, ไมเราพูดอย่างนั้นนะยมันไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยแ ต, แต่เหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมันทําให้เราต้องพูดแบบนั้นมันพอดีแบบนั้นเราก็พูดเฉยๆพูดสบายๆด้วยเจตนาที่ไม่ได้มีอะไรอ่ะต่อมุ่งหวังว่าเออให้บรรยากาศมันดีอะไรว่าไปแต่มันมารู้สึกไม่สบายใจทีหลังถ้าว่าเราตามไปได้โอ้เจตนาเราดีนี่นาเราพอ่พอ พ, อพอ่เราเร า, เราตั้งใจอ ย, อย่างนี้เราคิดอย่างนี้ก็มันผ่านไปแล้วก็แล้วไปมีตัวสติ สัมโพชฌงค์มันหมายถึงสติที่มันมีทั้งปัญญาด้วยรักษาจิตไว้ได้ด้วยเนี่ยมันมาประกอบกันเยอะมากเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นสติธรรมดาเหมือนสติทั่วไปแล้วเขาจึงเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์นะมีสติรู้อยู่ที่ปัจจุบันเลยนะเห็นอยู่ปัจจุบันไม่เกิดความยินดียินไล้แล้วก็สามารถระลึกรู้ถึงคำที่เคยพูดเรื่องที่เคยทาคาที่เคยพูดแม้ความคิดที่ผ่านไปแล้วในอดีตดึงกลับเข้ามาดูได้ เข้ามาตรวจทานดูได้เนี่ยมันจึงเป็นเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะนั้นกำลังมันจึงกล้ามากเลยนะสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันต้องเข้าขั้นแล้วเนี่ยน ะ, ะจิตต้องมีกําลังมากแล้วจึงเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ถ้าวาสติมันดึงมาได้อย่างนี้มันก็เห็นทุกเรื่องที่จิตเอามาแล้วก็ปัญญามันก็ส่องดูเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หมายว่ามันแยกแยะมันวิจัยดูมันตรวจสอบดูก็เห็นเป็นแค่รูปนามเห็นแค่ของเกิดดับ ไม่ได้เป็นเราสักนิดหนึ่งเขาจึงเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นฝ่ายปัญญานี่นี่แหละมันจึงเป็นองค์ที่จะตัดสุธมเพราะมันเห็นแค่ลูกแค่นาำเท่านั้นเองปีติสัมโพชงวิริยะสัมโพชงการทําแบบนี้เขาจึงเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌความเพียรจริงๆต้องมาถึงระดับนี้ระดับที่ดึงอะไรเข้ามาก็เป็นแค่รูกแค่น้ำไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราได้เลยนี่นี่คือกําลังมันมากแล้วนะเนี่ยมันถึงถึงเป็นเป็นวิริยะสัมโพชฌปีติก็เกิดขึ้น ความเบิกบานอิ่มเอิบในจิตใจแต่ไม่ใช่แบบในสมถะแล้วนะปีติในสมถะนี่เป็นปีติแบบขนลุกขนชันน้ำหูน้ ำ, นำตาไหลตัวโยกตัวโค้งซาบซ่านแต่อันนี้มันใจมันอิ่มเต็มบริบูรณ์ไม่หิวไม่หอยอะไรสดชื่นลื่นโลง่งอยู่ในจิตใจมันมันปีติในธรรมะจากการที่มันเห็นความจริงเพราะใครที่เห็นความจริงแม้ว่าอุย้ยรู้สึกว่าไม่ใช่เรานิดหนึงหรือเอาถือว่าเวทนามาเจ็บ แคบแย่แล้วแต่พอจีเทสว่าปั๊บมันทิ้งนิดเดียวเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายจิตเป็นอิสระขึ้นมาได้แค่นี้ก็โอ้โหมันเบิกบานขึ้นในจิตมันเจ็บขึ้นมาไปอีกเอาเจ็บก็เจ็บมันเริ่มพอทนได้ขึ้นมามันก็เริ่มมีกําลังที่จะต่อสู้กันขึ้นมายิ่งมันเจ็บปวดขันยิ่งมากมันยิ่งวางได้เท่าไหร่ปัญญามันก็มากแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นในจิตก็มากเนี่ยมันก็คุ้มค่าจากการเจ็บการปวดการต่อสู้ อันนี้เขาจึงเรียกว่าวิทยสัมโภชงปีติสัมโภชเนี่มันเบิกบานขึ้นในจิตยิเมื อ, มอขึ้นในจิตปสัสสธิสัมโภชงในขณะเดียวกันจิตนี่ก็สงบสงัดอยู่ภายในเลยนะไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาบีบคันจิตได้เลยอะ่ะนี่เขาเรียกว่าความสงบสงบนี่หมายถสงบจากพวกอารมณ์ทั้งหลายอย่ามาปรุงแต่งเรื่องราวทั้งหลายอย่ามาปรุงแต่งทําให้จิตเนี่ยวันไหวเป็นทุกข์ได้เขาเรียกว่าปสัสสธิมันสงบอยู่ภายในสงบสงัดเนี่ย แล้วก็มีสมาธิสัมโพชงใจก็ตั้งมั่นแน่วแน่จากนั้นก็เป็นอุเบกขาบางเฉยราบเรียยเพราะปัญญามันมีมันเห็นไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราได้นี่เราจึงพร้อมที่จะตัดสนุธรรมได้เขาจึงเรียกว่าโพชฌงจ็ดอย่างหรือโพธิบวกอังคะเจ็ดประการเนาหารของวิชาและวิมุตนะรเจเ่อาะไคน่นั เอาอเบคขาในภพมหารสี่เป็นอุเบกขาซึ่งมันอยู่ในตัวสมาธินะในสมาธิเราทาอุเบกขาก็คือว่ามันเป็นอำนาจของสมาธิที่จิตของเราเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาในธรรมะนี่มันเป็นอุเบกขาที่มีปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันหนึ่งด้วยอำนาจของสมาธิกดข่มไว้เราแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณ ให้ทั่วถึงไม่ได้แบ่งแยกเลยสัดเล็กสัตว์น้อยตัวกลมตัวแบนตัวยาวตัวปัม่มดีเลวใกล้ไกลเนี่ยคือคือวางใจเป็นอุเบกขาแต่ว่าเป็นอุเบกขาในสมาธิเป็นอุเบกขาเวทนามันไม่ใช่เป็นอุเบกขาซึ่งมันลาบเรียบจิตมันรู้แจ้งไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นของเราวางเฉยเป็นธรรมชาติของมันเองเนี่เขาจริงเรียกว่าเป็นเป็นอุเบกขา อไ อ, อ้ที่มันเกิดจากปัญญาถ้าอุเบกขาสัมโพชงก็หมายว่ามันเตรียมพร้อมที่จะบรรลุธรรมอะ่ะมันก็ต้องราบเรียบเหมือนกันปัญญามันพร้อมแล้วถึงแล้วใกล้แล้วอรอเวลาจังหวะลงตัวเท่านั้นเองมันก็เลยแตกต่างจากอุเบกขาในสมาธิคืออันที่จริงมันมันถ้าหากว่ามีปัญญาอ่ามันก็จะเป็นอุเบกขาตัวเดียวกันก็ได้นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาถ้ า, าว่าเออใครเขาดีแล้วก็ เออมีความปรารถนาดีต่อเขาถ้าเขามีทุกข์มีปัญหามีความเดือดร้อนไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของจิตนะหมายก็ว่าเห็นเขาวีทุกอยากลําบากใจเราก็มันหวั่นไหวขึ้นมาอยากช่วยเขาแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ใช่ไปทุกข์นะไม่ใช่โดดเข้าไปช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตความเมตตาก็อยู่ในจิตปรารถนาดีถ้าพอช่วยได้ก็ช่วยคือคือครับไอ้ใจตามปกติแล้วอ่าไอ้เมตตาหมายว่าสภาวะที่เป็นปกติทุกคนอะแปลว่าเขาอยู่ตามปกติของเขาได้อยู่แล้ว แล้วก็มีเมตตาต่อเขาปรารถนาดีต่อเขาแต่ถ้าเขามีทุกข์เดือดร้อนกักรุณามันอยากช่วยตัวอยากช่วยนีย่เรียกว่าการุณาแต่ไม่ได้หมายว่าต้องโดดไปช่วยทุกเรื่องเลยนะบางคนเนียอ๊ยพอเห็นใครกรุณาไปหมดอยากช่วยไปหมดเลยทีนี้ไปแบกโลกทั้งโลกว่าเลยทุกข์อันนี้เออแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องวางเบียกขาแล้วกรรมของเขามีเข้ามาใจากเหตุจกปัจจัยของเขาเราก็ต้องมีปัญญาเข้ามาประกอบด้วยเอยี่ยมันถึงจะจะเป็นอเบกขาได้ ถ้าเขาดีใครดีก็เออสนับสนุนหรือว่ายินดีด้วยเราอยู่ด้วยกันยิ่งมีคนดียิ่งมากๆคนมีความสามารถมากช่วยเหลือเกื้อกลูล ก, กันมากๆใครถนัดทางไหนให้ช่วยกันไปอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบขึ้นมาเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพอ่ะเป็นองค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณภาพอ่ะเหมือนเหมือนเอาคนที่มีคุณภาพแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านมารวมกันทีนี้เราก็ ให้ทุกคนเนี่ยได้ทําหน้าที่ของตัองตามธรรมชาติของเขาเราไม่ถนัดทางนี้ก็ให้คนที่มีความถนัดทําไปเราถนัดทางนี้เราก็ทําของเราไปเนี่ยต่างคนต่างทําไปตามหน้าที่เนี่ยองค์กรนั้นอะ่ะมันจะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพนี่นีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะสังฆะนี่หมายถึงองค์กรที่มีคุณภาพแบบนี้อย่างในสมัยพระเจ้าเนี่ยมันมีสามมณีอะไรนะจําชื่อไม่ได้ละเขาบารรลุเป็นพระ้ทหารตั้งแต่ตีนเรนเลยนะบรรลุเป็นพรูอทหารแล้วก็ ก็สำรวจตรวจสอบขึ้นมาเออเออเรานี่โชคดีนะเนี่ยมีบุญเก่ามาเยอะสามารถบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นสามาเณรได้แล้วมีอะไรหนอที่เราพอจะช่วยช่วยพระศาสนาได้ช่วยพระาศาสนาช่วยอ่าพุทธบริษัทได้ท่านก็มีความสามารถพิเศษคือเวลานิ้วของท่านเวลากลางคืนะ่ะท่านเอานิ้วนิ้วชี้ไปตามทางมันจะเป็นไฟฉายเลยนะสว่างไปแล้วก็ท่านก็เลยว่าเออเรามีความสามารถด้านนี้นะ เราก็จะสมัครเป็นไอๆคนคนที่แบ่งแบ่งเสนาสนะคล้ายๆกับว่าใครมาแล้วเป็นคนจัดเสนาสนะมากลางข่ำกลางคืนท่านก็จ ะ, ะพาไปได้เพราะว่าท่านท่านมีนิ้วนิ้วมีแสงสว่างในตัวเองท่านดําดิ้นถึงถึงความสามารถพิเศษของท่านเองด้วยบุญบา ร, รมีของท่านที่เคยจะทําบําเพ็ญมาท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็สมัครเป็นผู้ที่จะแบ่งเสนาสนะนี่จัดเสนาสนะนี้ให้พระอาคารตุกะอะไรต่างๆที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าการนโมธนาก็มอบหมายหน้าที่ให้สามเณรนี่ก็ทําหน้าที่ไม่ได้ว่าเออต้องเป็นพระนะต้องเป็นผู้ใหญ่เทร ะ, ะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ท่านมีความสามารถอนี้ก็มอบให้พอมอบให้ทีนี้ก็ล่าลือไปเลยที่นี่พระอยู่ไกลไกลก็ได้ยินว่าเฮ้ยมีสามเณรที่นิ้วนี่มีแสงสว่างตื่นเต้เนเหมือนสมัยนี้แหละถ้าใครมีฤทธิ์หน่อยมีอะไรพิเศษหน่อยก็โอ้โหไปแต่อูนี้ท่านเป็นพลหารนี่ท่านไม่ไม่เดือดร้อนม่อะไรท่านทาไปตามหน้าที่เพราว่าเห็นว่าเออมันมีประโยชน์มันสมควรท่างก็ทำไป ถ้ามากันค่ำกันคืนท่านก็พาไปพาไปก็พระอื่นไม่เห็นเนี่ยว่าอาจารย์กุกะมาท่านก็เอาใช้นิ้วของท่านแทนไปใช้สว่างไว้ก็ไปล่ําลือกันมันก็มีเรื่องเล่ามานั้นในอดีตอันนี้หมายว่าให้รู้ว่าเออแต่ละคนก็ทําหน้าที่กันอย่างภาษาลิบุตรที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นอัครสวกเบื้องขวาเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้สอนเวลามีคนเด็กๆอะไรมาก็มอบให้ภาษาริบุตรเอาไปบวชเนรเอาไปอบรมสั่งสอน วันภาษ า, าลีบุตรเนี่ยเหมือนผู้ให้กำเนิดเลยอย่างพุทธเจ้าบอกส่วนพระโมคคัลานะเนี่ยท่านก็นมาต่อยอดให้อะไรอย่างนี้มาเสริมให้ส่วนรากต้นในภาษาลีบุตรจะสอนได้แล้วพระสูตรต่างๆนะคำพีต่างๆเนี่ยโอ้ยออกมาจากภาษาลีบุตรเยอะมากภาษาลีบุตรนี่จะเอามาขยายความอย่างพระอภิธรรมเนี่ยพุทธเจ้าจะพูดอุเทศแต่พูดหัวข้อ ย, ยอ่อๆภาษาลีบุตรเนี่ยเอามาอธิบายหรือปฏิสัมพิธามักในในคำพีในในในพระเตจิโดก่ะ ก็มาจากนี่แหละภาษาลิบุตรเอามาอธิบายพอพระพเจ้าพูดแค่ประโยค2ประโยคามุท่านอธิบายเป็นเล่มพระไตรปิฎกเลยนะฟังแล้วนี่โอ้ยหลากหลายมากทุกเนื่อมุมเลยนะถ้าฟังของภาษาลิบุตรเนี่ยนะถ้าใครสงสัยอะไรแล้วไปอ่านของภาษาลิบุตรมันจะเข้าใจท่านจะประมวลเข้ามาอธิบายซ้ําแล้วซ้ําอีก เ, อเยอะทําให้พระก็เข้าใจ บางที stand, พระเออฟังพระผู้เจ้าไม่เข้าใจก็ไปหาภาษาลิบ yeah. uh, ุตรนี e, th th th ่นะไปก็มาถามว่าเออผู้เจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงพระเจ้าข้าสั้นภาราบุตรผู้เจริญอะไรภาษาริบุตรกะอธิบายให้ฟังเนี่ยภาษาภาษาลิบุตรจริงๆเหมือนพี่ใหญ่เลยนะเอออย่างเราก็เป็นสาวกรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยก็อ้าวก็เหมือนเหมือนเหมือนภาษาริบุตรก็เป็นสาวกรุ่นแรกๆอะแต่เนื่องจากบารมีของท่านที่เคยปาถนามานะสั่งสมบุลมมาตั้งแต่เรื่องทานบารมีแล้วก็ปาถนาเป็นอาคาสาวก ของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเนี่ยและรับพยากรว่าจะมาเป็นอักษาวก ข, ของพระพุทธเจ้าของเรานี้อย่างเราก็เหมือนกันแหละเอาทั้งชาตินี้เอาแล้ปรารถนาจะพ้นทุกข์อย่างเงี้ยเราก็ปรารถนาพ้นทุกข์ในพระุเจ้าองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มุ่งปฏิบัติให้ทันในศาสนาของพระเจ้าของเรานี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนที่มีชื่อเสียงนะาบางทีไอ้อย่างเวลาภาษารีบุตรมามาบวชอ่ะพาบริวารมานะ จั500ห้าร้อยหรืองไงไม่รู้หรืเท่าไหรก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วนี่บริวารบรรลุเป็นผลันหมดเลยนะแต่เป็นพออระอรหันต์ที่ไม่มีชื่อเสียงอ่ะเอาผลทุกอย่างเดียวไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรหรอกไม่ต้องสุจลิกไว้ในก็ะไตรีดฎกอะไรรู้แต่ว่ามีจํำนวนเท่านี้อันนี้ก็ได้เหมือนกันเยอะเยอะมากในสมัยผู้ใจเจ้าถ้าหาว่าใครอยากเป็นอักรสาวกก็ต้องนานหน่อยที่นี่เป็นสะสมไขอ่ะแต่ถ้าหาว่าเออเอาเป็นมหาสาวกอย่างเงี้ยมหาสาวก ก็มากหน่อยแต่ถ้าสาวกบรรลุปเป็นอาหารธรรมดาอย่างนี้<ม>ก็อาจจะเอา้าไม่เกินแสนจับอะเริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเรื่อยมาขึ้นอยู่ความเพียรความพยายามความอดทนความมุ่งมัน่นบากบันใครเพียรมากก็บรรลุได้เร็วอะแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าชาติไหนมันจะบรรลุได้อย่างชาตินี้จะบรรลุหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องมีความเพียรพระบกคาณะพระสาลานะาาีบุตรอะไรก็มีความเพียรกันทั้งนั้นมุ่งมั่นปฏิบัติทั้งนั้นสาวกในปัจจุบันก็เหมือนกันแหละต่างองต่างก็มุ่งหน้าปฏิบัติ พยายามมีปัญหามีอุปสรรคก็สู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้แล้วถ้าถามว่าท่านรู้ล่วงหน้าไหมว่าจะบรรลุไม่มีทางอ่ะใครจะไปรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าถึงจะพยายามได้นอกนมีใครรู้หรอกหรือพระเจ้าของเราก็เหมือนกันพวกก็เพียนเหมือนกันเนี่ยดูสิพวกก็เพียรพยายามจะบรรลุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยความเพียนเพียนพยายามจนกว่ามันจะบรรลุได้เอาใครถามอะไรนะเมื่อกี้นี้ เอามีอยู่ไหมทําบุแล้วเราก็จะปฏิบัติแล้วนะภาษาลีบุต ท, ท่านก็เรียฟังธรรมภาสชิที่แรกก็ก็มีแหละบุญเก่าบา ร, รมีเก่าที่เคยสร้างศพอบรมมาก็คล้ายๆเราเนี่ยสมัย ก, ก่อนท่านก็คงสร้างบา ร, รมีเกิดชาติไหนก็ต้องเพียนทําบุญสุนทานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่อยมาทีนี้พอมาถึงชาติเนี้ยมาถึงพระเจ้าของเราเนี่ย อินทีงท่านแก่กล้าแล้วที่นี่แก่กล้าแล้วแค่ฟังธรรมของพระสัชชีย่พระสชัชชีมาบินธบาตภาษาลิบุตเลี่ยก็ก็บ้านท่านก็อยู่ตรงนี้แหละตรงเนี้ยแถวแถวนี้แหละที่ท่านเนี่ยแหละที่เอาพระสถูปมาไม้นี่แหละจะเป็นที่ท่านปริณฑพานอยู่ตรงเนี้ยก็นี่แหละเมืองแคว้นนี้แหละเสร็จแล้วท่านก็เห็นเนี่ยเห็นพระอาเชีเอาไปบินธบัตะทางกาลังสแสวงหาอยู่เล เที่ยวหาครูบาอาจารย์มันไม่มีอ่ะมันอ้างว่างนะคนไม่มีครูบาอาจารย์อ่างว่างโอ้ใครนาะจะช่วยเราได้นาะมองหาไปหาครูบาอาจารย์องนั้นองนี้กัมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ไม่สามารถตอบคําถามได้อ่ะใจมันก็โหยหาบอกว่าเที่ยวสแสวงหาอยู่พอมองเห็นพระอสุชีปั๊บ ทาทางก็สงบราบเรียบสํารวมระวังอินทรีย์ผ่องใสมันก็จะมีเมื่อสงบจากภายในสะอาดบริสุทธิ์จากภายในอะ่ะมันก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยอนานาจของธรรมะท่านมองเห็นก็เออเกิด ค, ความรู้สึกเรื่อมใสขึ้นมาก็ตามไปพ็ได้จังหวะก็เข้าไปหา เ, ออเข้าไปหาก็ไปฝากฟังธรรม ภาษิตก็บอกว่าเอ้ยท่านเป็นผู้บวชใหม่อะท่านก็เพิ่งบรรลุธรรมตอนพรรษาไอ้ไอ้ตอนอตอนที่ก่อนเข้าพรรษาแรกอ่ะท่านก็บรรลุธรรมทีนี้ท่านก็บอกท่านเป็นผู้ใหม่อะท่านยังไม่ได้รู้อะไรอ่ะภาษารีบุตรก็บอกว่าขอให้เพราะว่จย่ยว่าศาสดาของท่านอสอนอยังไงภาษิติ์ก็สอนบอกว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับผลก็ดับเพราะมันมันเกิดจากเหตุ แต่ภาษาลียู่นี่ยแปลกฟังแล้วมันปิดเข้าไปหาจิตเลยโอ้เหตุนี้คือความหลงนี่เองนี่นี่ความความไม่รู้คือ ข, นขนาะนั้นฟังจิตมันพลิกเข้าไปดูข้างในเลยนะดูซิบารมีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างเราเนี่ยจะเรียนสติอยู่างเงี้ยเราก็ฝึกมาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยมันหมันตึกตองอย่างเงี้ยเฝ้าดูอยู่เนี่ยทีแรกก็เอา้าบางคนก็สงบก่อนพอสงบแล้ว พอต่อมามันก็เริ่มจิตมันก็เริ่มเห็นได้อะร่างกายก็เป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งนี่แยกกายแยกจิตออกมาแล้ว น, นั่นที่นี่เอาเวทนามันเกิดขึ้นเอาจิตเป็นติตัวดูอยู่เนี่ยไอเวทนาไม่ใช่จิตนี่นะบางทีจิตมันก็ถลําเข้าไปมันก็ปวดโอ้ทนแทบไม่ไหวดิ้นรนอยากออกอยากขยับอยากเลิกจิตมุดหิดลาคาญก็ดูจิตต่อไปอีกไอความรู้สึกอันนู้ก็ดับไปความดิ้นรนก็ดับไปจางไปก็มาเห็นอีกเอาเวทนามันก็อยู่ของมันอ่ะไอจิตไม่ดิ้นรนทําไมอ่ะอ้ามันคนละอย่างมันไม่ใช่จิต มันเป็นโทษจิตของเรานี่ยไปหลงนี่แหละต้นเหตุของมันคือความหลงอันเนี้ยมันหลงหลงว่าเป็นเราพอหลงว่าเป็นเราก็อยากเอานู่นเอานี่มาเพื่อเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเรานี่แหละความหลงอันนี้แหละที่มันมันมันเป็นเหตุมันก็ทําให้ให้ผลของมันเน่ยมันเป็นทุกข์มันบีบคั้นมันทรมานจิตใจอ่าเพราะฉะนั้นต้องกําจัดเหตุอันนี้คือความหลงอันนี้ให้ได้มันจะกําจัดได้มันก็ต้องมาดูให้เห็นความจริง เห็นความจริงเฮ้ยไม่มีเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอะไรเกิดขึ้นไม่มีตัวเราไม่มีของเราล็อกอย่าไปหลงอย่าไปหลงดูท้ายที่นี้มันจะหายหลงได้จิตต้องเห็นเองจะ่ไปอธิบายกันอยู่อย่างนี้นะฟังธรรมถ้ามันไม่เห็นความจริงอย่างนี้มันก็ไม่แจ้งมันก็ปล่อยไม่ได้มันต้องฟังแล้วก็จิตก็ดูด้วยเห็นด้วยเออร่างกายก็เป็นไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดของเราเรื่องที่ทําให้เคยเป็นทุกข์เคยให้มีปัญหาจริงๆกับเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเรามีชีวิตอยู่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีการกระทบอารมณ์กันบ้างเราก็มีกิเลสเขาก็มีกิเลสเรามีอารมณ์เขาก็มีอารมณ์มันก็กระทบกระทั่งกันอยู่ที่ว่าใครปล่อยวางได้ก่อนกันถ้าเรารู้ความจริงแล้วเฮ้ยไม่ด้มีอะไรเลยนี่นาก่อนเึ่งกระทบกันมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปทานมันก็ดับไปแค่นั้นเองจากนั้นเราก็มาทําอะไรเป็นปกติไปได้ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นทีนี่ เนี่ยมันก็เบาขึ้นนี้แหละเหตุมันอยู่ตรงความหลงเนี่ยหลงว่ามีตัวเรามีของเราเป็นตัวเป็นตนมันก็ทําให้มีอุปทานยึดทํานู่นทํานี่เพื่อเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อตัวเราเพื่อสมกับความอยากความปรารถนาความต้องการของเราเกิดความยินดียินไล่ก็เพราะตัวหลงนี่แหละพอภาษาเราฟังอย่างนั้นปั๊บเขามาพิกเข้ามาเลยถ้าหาว่ามันไม่หลงจะเห็นว่าไม่ใช่ของเราทั้งหมดวางปุ๊บลงไปมันก็ว่างเลยทีนี้ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้ไม่ทําให้จิตของเราเป็นทุกข์ทรมานดีบคั้นได้ หายหลงเพราะนั้นความทุกข์ก็ดับนี่แหละนี่แหละเพราะนั้นพระาศาสดาอาจารย์เข้าไปรเราก็สอนว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุ ด, ดับผลก็ดับก็คืออย่างนี้เองมันก็ไม่มีทุกข์ท่านเห็นแจ้งปับ๊บโอ้โหสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในจิตใจบรรลุพระโสดาบันบุคคลท่านก็สร้างบา ร, รมีมาเหมือนกันกว่าที่จะมาถึงว่าฟังธรรมแล้วบรรลุได้นี่เพราะบางทีบางคนไปฟังธรรมแล้วทาไมได้รู้มากเข้าใจมาก ดุจซึ้งเข้าไปถึงจิตใจแจ้งชัดขึ้นในจิตใจเพราะเคยฟังมามากเคยปฏิบัติมามากส่วนคนไหนเคยฟังมาน้อยปฏิบัติมาน้อยก็ ค, ยค่อยๆเก็บเอาค่อยๆขยับไปค่อยๆเข้าใจมากไปบางคนฟังปั๊บบางทีรรล้ขึ้นมาก็มีรู้แจ้งขึ้นมาก็มีแ ม, ม, ม้แต่คณะของเรานี่ก็มีนะบางคนมามาเล่าให้ฟังก็มีอยู่เดยวเไม่ได้เล่าจิตมันสว่างขึ้นจิตมันปล่อยจิตมันทิ้งจิตมันเหมือนกับมันสลัดออกรุนแรงจนกระทั่งจิตเปลียนก็มีเข้าไปหาจิต อย่างอื่นไม่สําคัญเลยเหลือแต่จิตพอมันมันรู้แล้วมันออกมายึดไม่ได้แต่ก่อนมันเคยยึดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นมันไปยึดไปถือไปบนเวียนอยู่แต่พอจิตนี้กาลังปุ๊บมันทิ้งปุ๊บทวายอย่างเงี้ยมันก็ไปรักษาจิตมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายว่ามันหายหลงแล้วอ่ามันเป็นหลงว่าไอ้นั่นอันนี้เป็นนั่นเป็นนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทิ้งไปหมดคือคือมันที่ตัวหลงแหะมันไม่หลงไม่หลงก็คือไม่ยึดอะไร ไม่ยึดอะไรมันก็มันรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่เนี่ยต้นตอมันอยู่ตรงนี้เลยนะต้นเหตุจริงๆคือหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าร่างกายซ้ำมันก็ต้องตายไปจิตก็บอกแลมเป็นนามธทําเฉยเฉยเนี่ยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่คิดวิการณ์แต่งได้เฉยเฉยทำไม่ยึดแต่มันก็เหลือเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือมารู้ความจริงทั้งหมดนี้แหละเป็นแค่รูปเป็นแค่นามสิ้นอาชวะเนี่ยก็คือสิ้นตรงที่ว่ามันมันเห็นความจริงแจ้งชัดนี้แล้วเวลาพระองค์มาสอนก็สอนเพื่อให้พวกเราปฏิบัติิรรู้้ความจงนี พระสารีบุตสร้างบารมีมาก็เพื่อให้รู้ความจริงตรงนี้พอท่านรู้ปับ๊บเนี่ยมันก็วางไปวางไปก็เอาละปล่อยวางความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราได้ความยึดมั่นถือมัน่นเนี่ยมันก็ทิ้งไปวางไปอาวิชาก็ดับไปทีนี้อวิชามันก็ค่อยๆดับไปเพราะว่าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็มันก็เป็นบรรลุะัจดาบันก่อนจากนั้นท่านก็มาบวชเนี่ยมาบวชกับพระพุทธเจ้าที่นี่หลวงพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมพุทธเจ้าเรื่อยไปก็มี บางพระสูตรนี่พระเจ้าก็เล่าถึงการปฏิบัติของภาษารีบุตรภาษารีบุตรนี่เนื่องจากว่ามันมีสมัยหนึ่งเนี่ยมามาจำราษากันเยอะแล้วพระทั้งหลายก็มีโอยมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆกันมีพระอนุรุทธะก็สามารถมีตาทิศดูโน่นดูนี่พระโมคคัลนะมีกัปปิญยาพระนุนพระนี่โอยมีฤทธิ์มีเดชอะไรเนี่ยคนก็นเล่าลือกันนี่ภาษารีบุตรไม่มีใครพูดถึงทีนี้ ผู้เจ้าก็เริ่มพูดถึงมารีบุตรมารีบุตรเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมมารีบุตรเริ่มเข้าปฐมฌานเนี่ยสมาธิดีนะเข้าปฐมฌานพี่มาองค์ฌานเลยนะวิตกเห็นวิตกเมืเกิดขึ้นแล้วก็ดับขึ้นวิจารณ์เริ่มพิจาณาเริ่มเริ่มไต่ตองเริ่มที่จะควบคุมจิตให้อยู่สารีบุตรรู้แล้วจากนั้นก็มีปีติสารีบุตรก็รู้ดูมีสุขปีติก็มารีบุตรก็เห็นไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจแน่วแน่ ย, ยังไง เป็นเอกลัาตาอยู่ยังไงก็รู้เมื่อกิจสารีบุตรรู้ว่าเอออันนี้ปฐมฌานดีกว่านี้ยังมีอีกสารีบุตรก็เริ่มเข้าทุติยฌานนี่พระพระเจ้าเริ่มอธิบายนะว่าสารีบุตรเนี่ยพิญญาองค์ฌานได้เลยอะ่ะนี่แหละคือวิปัสสนาพร้อมกับสมาธต้องแบบนี้นะนี่แนวทางแนวทางสมาธิคู่กับวิปัสสนาคือเข้าฌานด้วยพิญญาองค์ฌานพิญญาอะไรที่มันเกิดขึ้นในในขณะเป็นสมาธิได้ด้วยไม่ไปจมอยู่เฉยๆนิ่งอยู่ หรืไปติสุกอยู่ไม่ใช่อันนี้สุขก็รู้ว่าสุขต่อมาก็พี่อปิติปิติก็รู้มีปิติสุกก็รู้ว่าสุขอย่างที่ว่านี้แล้วก็จิตก็เป็นหนึ่งเดียวนะคือใ น, ในชาญจะมีองค์ประกอบตัวสมถะนี้ก็คือว่าจิตแน่วแนมีอารมณ์เป็นหนึ่งเขาจึงเรียกว่าตัวสมถะพระผพุทธก็เล่าต่อไปอีกว่าเออก็รู้อีกว่าเออสูงกว่านี้ยังมีอีกเข้าปัิยาชาตัติยชายชาญก็เริ่มพี่ณนาะความสุขก็ไม่ยึดรู้ว่าสุข รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งก็ก็ไม่ยืดจากนั้นสูงขึ้นมาอีกก็ยังอีกก็วางสุขและเข้าสูจ่จตุตฌ า, านฌานที่4ก็พิจรณาความเป็นอุเบขาลาบียบมีสติสมบูรณ์จิตเป็นหนึ่งรู้อยู่จากนั้นสารีบุตรก็รู้อีกว่าเออมันยังสูงกว่านี้ยังมีอีกอ่คราวนี้เปลี่ยนจากรูปเป็นอรูปแล้วไม่พิจารณารูปอีกต่อไปและ้ะพิจณาความบ้างอากาศสานันจายะทนะพอรากาศอากาศดูความบ้าง ความว่างกล่าวใช้ความว่างเป็นอารมณ์จิตแน่วแน่อยู่อยู่เป็นหนึ่งแล้วที่นี่งมิม่เป็นหนึ่งอย่างเดียวเพราะนั่นจตุตฌานไปเรื่อยๆรื่อยองทำมันเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนแต่อารมณ์ของจิตไปพิจารณาความว่างความว่างไม่มีประมาณจิตโอ้โยกว้างขวางมันก็ลึกซึ้งกว่ากันที่นี่จากนั้นก็เอ๊ะยังมีผู้รู้อยู่เนี่ยวิญญาณวิญญาณยังมีผู้รู้อยู่ก็ตามดูผู้รู้ตามผู้รู้เรียกว่าวาิญญาณอัญชัยัตะนะขึ้นสู่อาลูกก็เห็นว่ามัน มันก็ไม่ใช่เราอะ่ะมีพิาในองค์ฌานเลยนะจากนั้นก็ขึ้นอากินจัญญายาตนะเหมือนกับเราไม่มีเหมือนไม่มีจากนั้นลึกเข้าไปอีกเนวัสัญญาณาสัญญาญนะที่พิณอะไรไม่ได้เพราะว่าแบนๆอยู่ข้างในโน้นก็เลยถอยออกมาถอยมาแล้วพิาเออมะกี้นี่มันก็เกิดดับนี่นาไม่ใเป็นเราเป็นของเรา <S <S แล้วก็สามารถบรรลุภานาคามีมีหลการบรรลุธรรมของสารีบุตรตั้งแต่ตัดาบันฟังธรรมทีแรกต่อมาสกิทาคามีอานาคามีแล้วจะมาบรรลุพลระรหันต์อีกทีหนึง ตอนที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับเวทนาตอนที่พัดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ถ้าสุขละขาตาจุงวันพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปเราจะเห็นถ้ำภาษาลีบุตรที่บรรลุธรรมพัดอยู่พระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องเวทนานี่แหละเพราะเวทนาเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตัวหลอกเกิดแล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยเวทนาทางจิต ด, ด้วยเอติดยิตมั่นถือมัน่นอะไรไม่ได้ติดข้องอะไรไม่ได้มันก็ทําให้เกิดเวทนาขึ้นมาทําให้จิตเป็นทุกข์ทรมานขึ้นม า, มาได้ถ้ารีฟังแล้วเข้าใจ ก็ปลดปล่อยจิตเป็นอิสระบรรลุเป็นพรทหารได้ในหละการบารรลุธรรมของภาษารีบุตรเนี้ยก็มีคุณต่อพวกเรามากที่สุดเลยเพราะว่าทำหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดเฉพาะอุเทศไม่มีใครอธิบายเข้าใจได้ภาษ า, ารีบุตรนี่อธิบายพิสดารเลยแล้วก็พวกสาวกนุ่นหลังๆก็สูดทอดกันมานะแล้วก็ ถ่ายทอดมาหาพวกเราพวกเราก็ได้ยินได้ฟังก็ผสมผสานครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็ได้ศึกษาของภาษารีบุตรอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้ความเข้าใจตกทอดมาถึงเราผสมผสานขึ้นมาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติที่นี่เราผสมผสานขึ้นมาทีนี้เราปฏิบัติเนี่ยสติของเราเป็นยังไงเนี่ยมันต้องมาดูที่สติมีเสียงอะไรเกิดขึ้นในสติเราคุมจิตได้ไหมถ้าคุมจิตได้เราก็รู้ว่ามีเสียงอ่ะจิตเราไม่ยินยินยินร้ายเนี่ยจิตเราเป็นปกตินี่แหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหมือนเสียงก็ อยู่ส่วนเสียงแ่ะเราได้ยินก็รู้ว่าได้ยินมันมีหูมันก็ต้องได้ยินสิแต่ได้ยินแล้วเนี่ยจิตของเราไม่หวั่นไหวไม่โกรธไม่เคืองรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจก็ไม่มีชอบใจก็ไม่มีเฉยเฉยรักษาจิตได้ถ้าเราพอใจว่าเออธรรมะเนี่ยมันพอดีกับจิตเราหรือว่ามันมีประโยชน์ต่อจิตเราเราก็เลือกเลือกที่อยู่กับธรรมะเนี่ยเราก็ฟังธรรมะไปได้ส่วนเสียงก็เป็นเสียงประกอบอกว่าเออธรรมดาเราอยู่ในโลกนะ เราจะไปห้ามเสียงไม่ได้หรอกสำคัญตรงจิตเราไปยินดีร้ายกับเสียงไหมไปให้ความสําคัญมั่นหมายกับเสียงไหมไปเอาเสียงนั่นน่ะมาเป็นสัญญาอารมณ์เข้ามากุ้มลุมจิตเราไหมนี่มันก็สอดคล้องกับธรรมะทั้งหมดแหละการดําเนินชีวิตเราทุกเรื่องเลยอะว่าเราไปเอาเรื่องอันนั้นอันนี้เข้ามากุ้มลุงจิตเราไหมเราเห็นว่าเป็นธรรมดาไหมถ้าเราอยู่ในโลกเนี่ยเรามีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีเสียงแวดล้อมเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก อย่างเรามาเนี่ยเราก็ต้องมีเราแล้วก็มีสมาชิกที่ร่วมกันมาแต่ละคนก็เป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยพื้นฐานแต่ละคนมาก็ไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันอดีตมาไม่เหมือนกันปัจจุบันการศึกษาการอบรมหรือว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าการเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวแตกต่างกัน <c oughs> มันก็จะพูดทําไปตามความเคยชินของเขาไปแต่สาคัญว่าจิตเราเนี่ยยอมรับได้ไหมว่าโอ้มันเป็นธรรมดาของโลก ธรรมดาของชีวิตเราก็พยายามให้เรื่องทั้งหลายเข้ามารบกวนเราจนเราเป็นทุกข์อ่ะแต่ถ้าหาว่ามันมีว่าเอ อ, อกับบางคนถ้าหาว่าเออเรารู้สึกว่ามันมันทำมันไม่เจริญอะ่ะมันอาจจะเคยธาตุมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเราก็แค่ไม่มีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรว่าไม่ยินดีไม่มีร้ายกันใจของเราก็เป็นธรรมชาติธรรมดาควรเกี่ยวข้องอางเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องเขาก็จบแล้วมันก็หนูมีอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไอยู่กับเราตลอดไปเราก็ไปอยู่เขาตลอดไป ก็แค่พดกันแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็ผ่านไปเราผ่านไปด้วยดีก็ดีกว่าไม่ต้องมีอะไรข้างคาอยู่ในจิตใจหรือว่าเออสงเคราะห์กันอย่างเงี้ยมันเป็นแบบลักษณะเมตตาต่อกันมันก็ตรงหลักธรรมของมูเจ้าให้มีเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาต่อกันหรือว่าเอาไม่มีอะไรก็อุเบกขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรในใจ มันก็จะมองเห็นว่าเออใครอยู่ยังไงก็อยู่ไปสิเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใครอยู่แล้วธรรมะมันจเจริญอ้อันนี้น่าวนูทะนาเพราะว่านี่มันตรงกับพระสรงฆ์ของพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ใครอยู่แล้วโอโ้มันเสื่อมลงไปอ่ะจิตมันเสื่อมลงไปโอ้นแย่เสียดายเนี่ยมันขาดทุนทาว่าเออเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่พอจะพูดกันได้ก็พูดไปพอหน้าที่ให้สติได้ก็ให้สติไปแต่ถ้าเราไม่อยู่ในฐานะอย่า ง, งานั้นเรามารักษาจิตเราจิตที่ดิ้นรนออกไปอยากแสดงออกไปอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่า เขาไมไ่ยอมรับเราเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะมีมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นว่าเอาตัวตนออกไปด้วยเพราะว่าเรายังไม่หมดตัวตนมันก็ต้องระวังไปหมดเลยนะบางที่ปรารถนาดีก็จริงนะแต่ว่าเวลามันแสดงออกมันแสดงออกแบบมีตัวตนอะมาณนะเรามีจะได้อยากให้เขาจะได้รู้ว่าเรามีมีธรรมะเราช่วยเขาได้เราจะได้คอบงามเขาเราจะได้มีบุญคุณกับเขาเขาจะได้เขาลดนับถือเรายอมรับเรา ว่าเรามีบุญคุณต่อเขาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของมานะแต่ถ้าเออมันสมควรช่วยช่วยไปช่วยไปแล้วก็จบในจิตอ่ะพอขาดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมนาก็เกี่ยวข้องกันไปเพราะมันมีเหตุปจัจจัยมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยก็แค่นั้นเองถ้าอย่างนี้มันเป็นธรรมะเพราะฉนั้นในเมื่อจิตของเราเนี่ยมันยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายค้างคางอยู่ในจิตใจพระพุทธเจ้ายิางสอนให้มาทําประโยชน์ตนซะหน่อยทำประโยชน์ตนทําประโยชน์ตน แล้วทีนี้นะถ้าประโยชน์ตนถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าประโยชน์ท่านเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในสมยัยผู้เจ้านี่จริงก่อนที่ผู้เจ้าจะพาสาวกออกไปประกาศภูมจั น, นย์ท่านได้สาวกที่บรรลุภาราณตั้งหกสิบลูกอะตอนอยู่ที่อาราันสีอะมีสาวกเพิ่มตั้งหกิบเนี่ยรวมพระองค์ด้วยเป็นหนึ่งก็หกสิบเอ็ดองค์ก็บอกว่าดูความพิสูทั้งหลายต่อไปนี้พวกเราเนี่ออกไปประกาศภูมิจันท์ทางสายหนึ่งให้พระองค์เดียวนะอย่าไปสององค์เพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขา มีบุญมีปัญญามีทุดีในดวงกาน้อยนะ่ะเขาจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมมันจะทําลายโอกาสของเขาเพราะแยกกันไปเลยเพราะพระเนี่ยมีน้อยนั่นน่นแหละนี่แหละคนที่จะเวลาเราจะช่วยใครเราต้องนึกถึงนะอันนั้นไว้แต่ถ้าหาว่าเออช่วยกันบ้างอะไรกันบ้างก็ธรรมดาแล้วก็มีบ้างาให้สติกันบ้างหรือพูดกันบ้างแต่ว่าวางจิตให้ดีตั้งเมตตาเอาไว้คิดเทบทวนให้ดีว่าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะ อย่าให้มันมีตัวตนเข้ามาแทรกเดี๋ยวทุกเรื่องทุกราวเดี๋ยวมันก็จะกลายมาเป็นว่าเพิ่มปัญหาเพิ่มมานะเพิ่มทิฐิในใจเราเพิ่มตัว ต, วตนให้แก่เราอ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสเหมือนกันทำให้เมินช้าอันนี้อันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะต้องน้อมเข้ามาเพื่อที่จะทําความเข้าใจในการเกี่ยวข้องกันทีนี้พูดถึงภาษาญี่ปุ่นอ่ะก็คนกับเป็นอักาซาวกเบุรุฟะมีปัญหาตรงไหย แล้วก็มีเมตตามากด้วยเพราะนั้นท่านสัมเนเนเนี่ยพระผูเ้เยาก็จะมอบหมายให้ภาษาลีบุนเอามาบวดและก็มาดูแลมาอบรมสั่งสอนภาษาลีบุตรท่านกระทำด้วยความเต็มใจนะยังจําได้ไอบัณฑิตสัมมาเนเนะ่ะสมัยที่เราเราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องบัณฑิตสัมเนนนี่นะอายุเจ็ขวด ม, มาบวชกับภาษาลีบุนบวชกับภาษาลีบุตบบ ร, รตทีแรก วันหนึ่งก็เดินตามภาษารีบุตรออกไปบินขบาาเดินตามหลังภาษารีบุตรไปก็ไปเห็นชาวนาเขาเอาน้ําเข้านามันจะเป็นกังหันลมหรือพ่าวิดน้ำดํำหรือยังไงนี่แหละนะเอาน้ําเข้านาเขาเห็นน้ํามันไหลเข้านาบัณฑิตสามเณรก็ถามภาษารีบุตรอาจารย์ครับนั่นเขาทําอะไรครับชาวนาเขาวิดน้ําเข้านาภาษาลีบูบก็ตอบสามเณรก็ ตอนนี้นกำลังดูจิตอยู่นะน้อมปฏิบัติอยู่น้ํามีจิตไหมครับดูสิจากน้ําเข้ามาหาจิตเลยน้ํำมีจิตไหมครับน้ําไม่มีจิตแล้วเขาเอาน้ำเข้าไปทําไมครับน้ำเขาเอาเข้าไปเลี้ยงต้นข้าวต้นข้าวในนาเขาพูชพันธุันธานในนาของเขาบันทึกส ม, มัได้ยินแค่นี้มไหมไอ้น้ําไม่มีจิตแต่เขายังเอาน้ําไปทาประโยชน์ได้เขายังบังคับได้เขายังควบคุมได้ จิตเราแท้ต้องฝึกได้สิต้องบังคับได้สิต้องควบคุมได้สิต้องทําประโยชน์ได้สิดูสิน้อมเขามาหาจิตเลยนะพอเดินไปอีกก็เห็นช่างเลูกสอนเขาดับลูกสอนนะลูกศรก็เหมือนลูกศรเนี่ยเอาไม้มาไม้ไผ่มาปลายแหลมปลายแหลมแหลมเอามีดด้านหางเข้ามันเพื่อบังคับทิศทางให้มันตรงไปสู่เป้าหมายเขาก็เอาเป็นลนไฟลนไฟให้มันอ่อนมันอ่อนนิ่มแล้วก็ดัดให้มันตรงบันดิสมเมเห็นกับท่านอาจารย์ครับเขาทําอะไรครับ ช่างลูกศรเขาดัดลูกศร <dig> เขาดัดทําไมครับเขาดัดให้มันตรง <choices S 1> เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ปั๊บเข้ามาหาจิตเลยลูกศรมีจิตนะครับลูกศรไม่มีจิตภาษาลิบุตรู้นะว่าลูกศษกิษย์กำลังคิดอะไรเอ้ลูกศรไม่มีจิตเขายังดัดทําให้ตรงได้บังคับให้ตรงได้จิตเราแท้ๆตรงๆได้สิต้องบังคับได้สิต้องฝึกได้สิสดูสดิสดสเด็กอายุเจ็ดขวบมุ่งมันที่จะฝึกจิตเลยนะดับจิตเลย ของเราแท้ๆต้องฝึกได้ซี่ต้องดัดได้ซี่ต้องทําให้ตรงได้ซี่ต้องเอาไปทําประโยชน์ให้ได้ซี่ดูซี่ให้มันรู้เป้าหมายได้ซี่คิดได้ยังไงเจ็ดขวบมีระบุญบารมีของเข า, าคืก็คุ้นคิดไปตลอดทางนี่แหละ่ะแยกว่ามีโยนิโสมนานสิการมันน้อมเข้ามาเพื่อจะให้รู้ความจริงเพื่อปล่อยวางตามความเป็นจริงเดินไปอีกเห็นช่างไม้เขาถากไม้ให้มันตรงอ่ะถากไม้ไปถึงปั๊บ เขาถากอ า, อาจารย์ครับผมนั่นเขาทําอะไรช่างไม้เขาถากไม้เขาถากทําไมครับถากเพื่อให้มันตรงเพื่อเอาทําประโยชน์ได้ไม้มีจิตไหมครับไม้ไม่มีจิตปั๊บเข้ามาอีกแล้เฮ้ยไม้ไม่มีจิตแต่เขาสามารถทําให้ตรงได้สามารถเอ า, เอาไปทําประโยชน์ได้จิตเราแทา้ๆต้องฝึกได้สิกําลังมันมากที่นี่ฝึกได้สิหน่โอูตอนมันฝึกได้นี่มัน โอ้โหม่อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปฝึกต้องเอาเดี๋ยวนี้แล้ท่านอาจารย์ครับงั้นผมขอขุ้นแจ้ท่านอาจารย์ดูสิอย่างนี้เลยนะของกุญแจกุฏิเลยอาจารย์อราควกมาให้รู้ว่าลูกศิษย์เ น, นี่ยคิดอะไรวันนี้ผมขอกลับไปก่อนครับถ้าผมมีบุญมีบา ร, รมีก็คงได้ฉันพัฒนาขึว่าก็พูดไปตามภาษาอาจารย์กับลูกศิษย์กลับไปเลยไปถึงเปิดประตูกุฏิเข้าไปล็อกนั่งสมาธิ จิตเราแท้ๆฝึกได้สิจิตเราแท้ๆฝึกได้สิไม่ให้ไปไหนเลยที่นี่บังคับจ่อเข้าไปเลยจิตเราแท้ๆฝึกได้สิต้องควบคุมได้สิต้องแก้ไขได้สิต้องพัฒนาได้สิมันไม่เอาอย่างอื่นแล้วที่นี่เออมันจะไปเอาอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรสําคัญแล้วที่นี่พอวางหมดแล้วมันตรงเข้ามาหาจิตแล้วเนี่ยจิตเราต้องฝึกได้สิต้องคุกได้สิต้องฝึกได้สิจิตจะออกไปไม่ให้ไปฝึกได้สิช่างลูกศรเขายังดัดลูกศรให้ตรงได้ ช่างไม้ยังถากไม้ตรงได้น้ําไม่มีจิตเขายังเอาเข้ามาทําประโยชน์ได้จิตเราแทๆ้ๆฝึกได้สิต้องบังคับได้สิต้องแก้ไขได้สิพัฒนาได้สิอบรมสั่งสอนได้สิจ่อเข้ามาอย่างนี้เลยนะทีนที้นี่ประจิตมั่นคนงโก็เห็นที่เอาร่างกายไม่ใช่ของเราเวน่าไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยเนี่ยมันมีกําลังก่อนต้องใช้จิตมีกําลังซะก่อนทีนี้กับเขาบรรยายไว้นะอันนี้อัตขรฐานะนะเาบรรยายว่าพวกอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ฝ่ายซ้ำมาที่ที่นี่โอ้โห و, มาระแวดระวังแล้วนะเขากลัวอามนุษย์ฝ่ายที่พวกอาธรรมอ่ะจะมาลุกวนพวกนึงก็ระวังข้างฝาข้างข้างซ้ายข้างขวาข้า ง, างหน้าข้างหลังข้างบนดูซิแวดล้อมเลยนะนี่เนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าว่าไม่มีสิ่งอะไรมาช่วยมาเหลือนะมาปกคุ้มของป้องกันนะขอให้เราตั้งใจกินก็แล้วกันเถอะสิ่งเหล่านี้เขารู้หน้าที่ของเขาเลยนะไม่ต้องไปเชื้อเชิญไม่ต้องไปอยากให้เขามาช่วยเหลือหรอก ถ้าเขามีพวกที่ฝ่ายส้ำ ม, มา ท, ที่ฝ่ายดีเนี่ยเขาจะรู้หน้าที่ของเขาบอกโอ้ยผู้นี่ปฏิบัติธรรมนี่ตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่กลุ่มนี้ปฏิบัติธรรมนั้นนี่เอาพวกเราระแวดระวังหน่อยระมัดระวังหน่อยเอาช่วยกันทางนั้นทางนี้ไม่มีอุปสรรคมาขัดมา ข, ขวางป้องกันทีนี้สามเณรก็จาะเข้าไปทีแรกก็เข้าไปฟาดฟันเรื่องร่างกายเรื่องอะไรเรื่องนี่แหละเวทนาอะไรแยกออกค่อยคอย คิดค่อยๆหลุดไปหลุดไปหลุดไปวางกายได้วางเบญธนาทางกายได้มันก็วางลงตานี่แหละแล้วค่อยวางตัวตนอะความรู้สึกว่าเป็นตัวเรานี่แหละอะไรโผล่ขึ้นมานอ่เ น, นี่ยมันก็เกิดดับอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามองดูร่างกายก็เอาเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งมันนั่งอยู่ตัวจิตเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมาควบคุมจิตมาสอนจิตชี้ให้จิตเห็นบางทีก็เอาจิตไปมองดูร่างกายเอานี่มันเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่ของมันเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืน ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเราจะไปหลงยึดว่าเป็นเราเป็ของเราไม่ได้แต่ร่างกายยังอยู่มายังอยู่แต่ว่าสอนจิตให้รู้ว่ามีร่างกายไม่ใช่อยู่ตลอดไปไม่ใช่ของเราตลอดไปไม่ให้มันยึดเหมือนเราออกมาแล้วก็ยังเงินทองก็ยังอยู่หน้าที่การงานอะไรก็ยังอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรยังอยู่แต่จิตเราต้องไม่ยึดมุมมองภายในจิตต้องเปลี่ยนสอนจิตให้มีปัญญาให้รู้ความจริงแล้วให้จิตเนี่ยมันปล่อยวางปลดปล่อย ความยึดมั่นถือมั่นไม่ให้จิตไปหลงยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนี่แหละเป้าหมายคําสอนของเจ้าที่เรามาฟังทำมาปกว่าวิธรรมก็เพื่อมาสอนจิตเราให้จ่อไปหาจิตเพื่อที่จะให้จิตมีตั้งมั่นเพื่อให้จิตเห็นมันต้องเห็นด้วยนะเห็นในความรู้สึกเรานี่แหละอย่างพูดดึงกายเนี่ยตัวจิตก็ต้องเป็นจิตสิจิตเป็นผู้รู้กายก็อยู่ข้างมันอยู่อย่างนั้น่เวทนาเกิดขึ้นมันก็ต้องเห็นสิเอาเวทนามันหน้าตาเป็นยังไงเจ็บปวดยังไงบีบคั้นยังไงมันก็ต้องเห็นเนี่ยเนี่เป็นเร จิตของเราเป็นยังไงซัดใส ย, ยงไงม่คิดปรุงแต่งอะไรคือมัก็เห็นสิเห็นอาการของจิตเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะเกิดแล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปถ้าเห็นอย่างนี้มันจะนยึดความคิดบางทีสัญญาแว บ, บขึ้นมาเอา้าสัญญานี่นะเมื่อก่อนนี่หลงว่าเป็นเราเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นเราใหญ่โตมโหฬานแต่คราวนี้เฮ้ยมันแค่สัญญาเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรเลยทีนี้ทวนออกไป เ, เขาอยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรามันคนละส่วนอ่าแล้วไปยุง่งไปยากทําไมล่ะเดี๋ยวาไปมีปัญหาขึ้นในจิตทํำหม่นี่มันจะเห็น มันก็ไม่อย่างมีชุกเพราะมันแยกออกแล้วมันเห็นชัดแจ้งแล้วเนี่ยมันปล่อยมันวางแล้วเนี่ยทีนี้พูดถึงบัณฑิตสามเณรเนี่ยพอละกายละอะไรได้หมดวางหมดเหลือแต่จิตจริงกําลังที่นาจิตเพื่อปล่อยวางจิตในสุดท้ายมันจะมาปล่อยวางจิตมันกําลังที่จะเข้าไปโอ้ยกำลังมันต้องถึงนะมันถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยที่เราเห็นนิดนิดหน่อยหนอยันนี้กําลังยังไม่พอเห็นบ้างบางทีเห็นว่าจิตอยู่ส่วนจิตไม่มีอะไรมันไม่ใช่เราจริงบางทีบางคนก็เห็นได้ แต่กำลังมันยังไม่พอถ้ากําลังพอเนี่ยมันจะดับพุกเลยความเป็นเราดับหมดเหมือนกับเข้าไปสู่ธรรมชาติอันหนึ่งเลยนะ <c oughs> เหมือนตัวตนเนี่ยหายหมดเลยไม่มีแต่รู้อยู่เรารู้สิอำนาจของอรอยิยมรรครู้อํานาจของญาณเนี่ยมันรู้ได้แต่ว่าความเป็นเราไม่มีเนี่ยมันมาดับความรู้สึกเป็นเราความเป็นตัวเป็นตนก็เลยไม่มีอะไรนะเป็นแค่ความรู้สึกว่าเป็นเราเฉยๆนะเวลาที่เราเราจะหมดความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ย เราต้องปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายเวลามันวางเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเป็นเราเลยอะความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีดับหมดเพราะมันจึงว่างว่างจากความเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้ไม่ได้หมายว่าร่างกายไม่มีร่างกายก็ยังอยู่เงินทองข้าวของเครื่องใช้ไม่สอยยังอยู่แต่ว่าความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีถ้าจะมีก็คือมันเป็นสิทธิของเราที่เราจะต้องมาใช้สอยไปถูกต้องตามสมมุติมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้ามันหายไปนี่มันหมดสิ้นไปมันไม่ทุกข์ไม่ทรมานมากมันไม่ถูกบีบพันนมากเพราะมันไม่มีความหลงต่อไปแล้วทีนี้เรามาถึงว่าบดีสมณีกำลังเจาะเข้าไปหาจิตกำลังจะทาพิจนาจิตเพื่อให้บรรลุอรหัตผลภาษาลีบุตรก็บินทบาทกลับมาแล้วที่นี่เดินเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าตรว ด, ดูก็รู้อ้าภาษาลีบุตรเข้ามา แล้วไปที่กุฏิยังไงยังไงสารีบุตรต้องเรียกสามเณรบัณฑิตสามเณรมาฉันพระตาหารแน่เมื่อเรียกบัณฑิตสามเณรจะไม่ออกมาก็ไม่ได้เพราะอาจารย์เรียกแล้วจะทําลายอาหารละมักของสามเณรแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาตรงประตูเลยมาเดินจงกรมรอพระสารีบุตรพอพระสารีบุตรเดินเข้ามาก็เป็นยังไงสารีบุตร ไบินพบาทก็คือเราก็อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าสนทนาอะไรนะั้นเราจะไม่ได้หรอกเราก็หมายว่ามุดถึงบรรยากาศทั่วๆไปเป็นยังไงสารีบูตร อ, อาหารการกินเป็นยังไงผลที่เขาเนี่ยยังศรัทธาดีไหมใส่บาตรไหมลูกศิษย์ลูกหาเป็นยังไงอบรมสั่งสอนอง่ายยากยังไงก็ทักทายไปขณะที่ทักทายพระเจ้าก็ตรวจสอบดูจิตของบัณฑิตสามเณรด้ว ย, ยนีพรอนุภาพของพทธเจ้าพอตรวจดูปั๊บ สามเณเนี่ยปับ๊บเห็นจิตแจ้งชัดไม่มีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยจิตมันก็จะเข้าไปสู่สภาวะหนึ่งว่างหมดเลยมองไปจิตเนี่ยถ้ามองออกไปทั้งโลกก็คืออยู่อย่างนั้นเลยมองดูตัวเองจิตก็ว่างในจิตเนี่ยไม่ยึดอะไรไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจเป็นเหมือนธรรมชาติอันหนึ่งจิตก็ว่างมองออกไปข้างนอกก็ว่างหมดว่าง จากความหมายมั่นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นอะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดพระเจ้า ก, ก็มองเห็นรู้เข้าใจละบัณฑิตสมเณนนีเนี่ยบรรลุอรหาตาัตตมรรคอรหาตาัตผลเรียบร้อยแล้วภาสารีบุตรรู้สึกของเธอก็คงจะคอยอยู่ที่กุฏินะเอ า, อา ก, ลกลับไปได้แล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็เสด็จกลับไปยังที่พักของพระองค์ภาษารีบุตรก็ต้องมากุฏิกัหมายมั่นก็จะเอาพัฒหารมาให้บัณฑิตสมเณี แล้วเรื่องเดิมยืดยาวนีบรรยายด้วยนะว่าโอสามัญ น, นี้เขาเคยถวายปลาเป็นพรตทหารเดียพระเจ้าพรเจ้าองค์นั้นองค์นี้ะอนนั้นพระชารีบุตรบินถบายวันนั้นก็ได้ปลาอันนั้นอันนี้มาเนี่ยดูสิบุญบา ร, รมีของคนเรามันก็มีอยู่นะอันนี้เขาก็เอามาพูดอัตปถาเขาอธิบายแต่เราก็ไม่เอามาพูดให้มันยืดเยอหรอกแต่ว่าเอามาพูดพอให้มันรู้ว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดไม่ว่าเป็นบาปหรือเป็นบุญกุศลหรืออกุศลเป็นสมบัติของเราทั้งหมด คอให้ผลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำว่าให้ทําสิ่งที่เป็นบุศลทําสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทําสิ่งที่เป็นสติเป็นปัญญาเป็นฝ่ายจเจริญก้าวหน้าเพราะอันนี้มันมาสนับสนุนมาส่งเสริมชีวิตของเราให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นประเสริฐขึ้นให้ชีวิตของเรามันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นบาปและอักโศกค่อยๆน้อยลงลดลงไปยุบยอบลงไป ฝ่ากุศลเจริญขึ้นเจริญขึ้นสุดท้ายวางทั้งบุญทั้งบาปวางทั้งกุศลแลกกุศลก็คือเนื้อบุญเนื้อบาปเ น, ลล เ, นเนื้อกุศลแลกเนื้อกุศลเนื้อกรรมทั้งหมดเป็นอิสระภาพเป็นอิสระหมดจดเลยตัวเองเนี่ยเป็นอิสระภาพเพราะฉะนั้นทำไมจิตของคนเราจึงไม่อยากถืออะไรครอบงำไม่อยากมีอะไรมากุ้มมาลุมก็เพราะว่าจิตแสวงหาหฮ้ยหาความเป็นอิสระภาพ เมื่อเป็นอิสภาพแล้วมุจจิจะสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเลยนะมีมากมีน้อยจิตก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าได้มากก็เอาพอสมควรถ้ามีน้อยก็พิจารณาให้มันเป็นธรรมเออก็ดีแล้วนะชีวิตเราก็ยังอยู่ได้ไม่ถึงกับตายเราได้มาขนาดไหนเรายังอยู่ได้อยู่ไม่ตายถึงแม้จะตายมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเราก็หนีความตายไม่พ้นคือจิตดวงนั้นมันสมบูรณ์แล้วมันจะไม่คิดให้ตัวเองเป็นทุกข์เด็ดขาดเลยนะ สื่อไม่ร้อนจะเป็นยังไงก็ตามมันก็ยอมรับได้ว่ากรรมของเราทํามาอย่างนี้เองนะมันก็ต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกมันจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะเป็นอะไรก็ช่างเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเมื่อเราทํามาแล้วเราก็ยอมรับได้ถ้ามันต้องตายก็ไม่เป็นไรนะบางคนที่ไม่ตายก็ไม่มีหรอกอย่างที่เรามาเนี่ยมันก็เป็นอนุสรณ์อย่างดีเลยนะโบบานี้ก็ไปที่ปารินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าโอท่านจะประเสริฐโลดโลขนาดไหนนะ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอนุภาพมากขนาดไหนสุดท้ายร่างกายก็ต้องแตกต้องดับต้องสลายต้องเสือ่อมต้องสิ้นไปหมดเหมือนกันแม้มาที่นี่ก็เหมือนกันแหละภาษาลีบุตรสุดท้ายท่านก็ต้องมาปรินิพานที่นี่ท่านก็ป่วยหนักนะพอป่วยหนักแล้วก็ขอพระพุทธเจ้ายังรอโปดปดแม่ของท่านมารดาของท่านก็จะมาปรินิพานที่นี่ลาพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาที่นี่มากลางคืนแม่ของท่านนี่เป็นมิจฉาทิฏฐด้วยนะ ศา ส, สนาพราหมณ์อ่ะมเาเด็กเขารถเรื่มใสในพระเจ้าพระธรรมมาส่งเลยนะก็ปล่อยให้ท่านอยู่ไปก็ดูอนุเคราะห์ก็เหมือนแม่อนุเค้าะลูกอ่ะเล็กๆน้อยนอยไปอ่ะพูดอะไรก็ไม่ฟังอะทีนี้พอต้อนกลางคืน่ะพอหัวค่ํำเทวดาชั้นจาตุงก็มากราบดาวดึงก็มายามาดุสิตาพเทวดาทุกชั้นมาหมดเลยขอดึกดกเข้าพรก็มากราบสว่างสวยัยแม่ก็อุ้ยเกิดลูกเรานี่ต้องไม่ธรรมดาแล้ว ดูสิมีแจ่สงสว่างมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาถามเออะไรเนี่ยตอนหัวคำ่ำนั่นนาเป็นใครรายลู่กต่อน้นเทวดาชั้นจ่าตุม้มมหาราชทั้งสี่ดาวดึงยามาดุสิตามนิ ม, มานอนอดีปัะลณะิมิตวัตตีพรมทีนี้แม่ถ้าเขาลบพรมอยู่นี่โอ้ขนาดพบคเขาพมมิมากาบลูกแล้วเหรอเนี่ยก็เลยขอฟังธรรมภาษาลิบุกพูดธรรมะให้ฟัง แต่ม้าก็คือให้รักสกายที่ถี่นี่แหละไม่เห็นหมดมีตัวเรามีตัวมีตนอะไรอย่างนี้ทีนี้แม่เขาก็มีบุญเก่ามายังมีลูกถึงเป็นพ่อรหารน่ะอย่างคนที่เป็นพี่เป็นน้องอะไมันต้องมีบุญเนื้ออะไรเรื่องกองพิเศษนะชาตินี้มันนุ่มพราะเป็นพี่เป็นน้องกันหรือมาเกี่ยวข้องกันอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ธรรมดาเนี่ยมันถึงต้องสมควรให้อภัยกันนะมีความปรารถนาดีต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางทีเรากลับไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเยื่อใยต่อกันอ่ะพูดถึงว่าเคยใจดีด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็มีจจิตตใ่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็ดีกว่าที่จะมีอะไรที่มันค้างคาอยู่ในจิตใจนะเพราะนั้นมันปลดปล่อยได้เลยไม่ต้องให้มันค้างคา่ามันไม่เป็นผลดีอะไรต่อชีวิตเราสู้เออมาได้พบกันในขณะที่เรามาแสวงหาธรรมะเนี่ยมันอบอุ่นใจมันไว้วางใจกันมันมีน้ําใจต่อกันมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็มันไม่หวังอะไรตอบแทนถึงหวังบ้างมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ไปตามเหตุตามผลนะมันไม่ได้เป็นแบบมากมาย เหมือนเหมือนเหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่แหละมันก็มีมีสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าเออเนี่ยบุญกุศลที่เคยทํากระทําบําเพ็ญกันมามันก็ได้มาเกี่ยวข้องกันอยู่ดีๆเราก็ต้องอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละบ้านคนละเมืองแล้วก็ยังมาเกี่ยวข้องกันมาร่วมทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันเดินทางรถก็ขยาวแล้วขยาวอีกโยกไปโยกมาเมารถก็มีอะไรก็มีท้องไส้ปันป่วนเนี่ยมันก็มาทุกข์ด้วยกันอย่างนี้ นอนก็เอาบางทีก็มีนุ่นมีนี่บ้างบางทีก็ได้น้ําอุ่นก็ดีน้อยบางทีน้ําอุ่นก็ไม่มีเย็นก็เอาเพราะมันไม่มีน้ําอุ่นก็ให้ทํายังไงยิ่งก็ยังดีกว่าไม่มีพูนี้คือตัวเองเสด้วยตื่นเช้ามาเย็นก็เย็นที่ว่าอาบเข้าไปมันอุ่นอ่ะเออไม่อาก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหนาวผิดปกติเย็นอาบเพราะมันก็อุ่นไม่เห็นเป็นไรอ่ะเย็นก็ได้ อุ่นมีก็ดีแน่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีแน่ที่ได้สบายไม่ต้องเป็นทุกข์นะี่สรุปแล้วคือรักษาจิตเมื่อภาษาลีวไปถึงก็เอาอาหารออกมาแล้วก็สามาโนนก็ฉันก็ต่หากแล้วก็คงตรวจสอบอะไรกันเนี่ยก็รู้แล้วมารู้ทำตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนี่ก็คือเคยสร้างสมอบรมมานะเราก็เหมือนกันในชาตินี้แน่ใจแล้วถ้าใครมาที่นี่โอ้สัญญากับพระเจ้าเรียบร้อยเลยนะ สังเวชนียสถาน4ี่แห่งครบถ้วนแล้วมันกระตุ้นเตือนอะไรเราบ้างไหมอันนี้แหละสาคัญนะนะรวมทั้งสถานที่สําคัญสําคัญของพระพุทธเจ้าแล้วก็รวมทั้งอักษรวกเบื้องขวาสําคัญด้วยที่นี่ก็เป็นที่รูรเผยแผพร่ศาสนานะกว้างขวางมากเลยนะแต่ก่อนก็แถวนี้ก็เป็นวัดอะ่ะรวมวัดเข้ามาแล้วกับเนี่ยเป็นสถานที่จเจริญรุ่งเรืองในใ น, ในการศึกษาหาความรู้ในาศาสนา สุดท้ายมันก็เสื่อมอย่างนี้มันไม่เที่ยงหรอกเราจะไปให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงอะ่ะจะเิญสุดขีดก็เสื่อมสุดขิดแม้กระทั่งชีวิตของเราบรรพบุรุษของเราก็เคยเจริญรุ่งเรืองอายุตอนไปอายุแ0 0 0มื่นปีมีพระเจ้าจักรพรดปกครองทุกคนอุย่ยอุดมสมบูรณ์หมดขม่าป้นสะดมรักชิงผิดศินกันนิดนึงก็ไม่มีเลยผิวพรรณสวยงามเท่ากันหนดดูสิ อำนาจขอบุญรักษาศีลรักษาธรรมกุศลกรรมบท10เจริญรุ่งเรืองตอนอายุ8หมืนปีต่อมาก็มีเหตุการณ์ว่าเออพระราชาแบ่งทรัพย์ไม่ทั่วถึงก็เกิดความอยากจนอยากจนกับขโมยขโมยก็มีการตัดศีลประหารชีวิตประหารชีวิตกันมีก็เริ่มมีสัตว์ตาอาวุธมีการเนี่ยที่แรกก็รักขโมยก่อนต่อมาก็มีปานาติบาตต่อก็มาก็กลัวถูกฆ่าถูกประหารไม่ยอมรับก็โกหก โกหกอายุก็คลอดลูกออกมาที่นี้ก็อายุล ด, ดลงเหลือ4ี่หมืปีต่อมาก็ผิดศีลอีกไปกล่าวร้ายกันคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วมันเริ่มไปฟ้องไปร้องกันเพราะว่ามีการพ่นมีการจี้กันอะไรกันอย่างเงี้ยผิวพันธุ์ก็เริ่มเสื่อมร้มลงไปก็มีการผิดการ ม, มีสมิสาจารย์อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ ย, ยมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆโจนกระทั่อายุเหลือร0อปีเนี่ยมันก็จัดเจริญก็เสื่อมอย่างนี้แหละเหนือว่าต่างสงสารในชีวิตเราเองก็เหมือนกันแนหะ ยุกเกะเลินแล้วก็เสือ่อมโดยทางอายุ10ปีอายุ10ปีเมื่อไหร่คนต้องเหมือนสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารเนี่ยผู้เจ้าพยากรเอาไว้แล้วต้องถึงแน่น่โอ้โหถ้าใครไปเกิดตอนอายุ10ปีนะสวยที่สุดเลยนะอธิษฐานเอาไว้นะถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ขอให้นูลล้นล่ะไปเกิดสวรรค์ก็แล้วกันไปรอผู้เจ้าองค์อื่นๆมาซะก่อนแต่ถ้าใครมึงเอาผู้เจ้าองค์เรานี่แหละเอาให้พ้นทุกข์ดชาตินี้แหละก็ยังดีนะหรดิฉันเขาปฏิบัติเต็มที่เลย พยายามปฏิบัติเนี่ยได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่พยายามเต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเราก็ยังดีอ่ะสร้างบา ร, รมีเรื่อยไปอย่างน้อยบุญบา ร, รมีของเราก็เออมันก็อาจจะช่วงที่มันมันอายุ10ปีนี่เราก็อาจจะไปเป็นเทวดงเทวดาอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นก็เกิดการฆ่ากันตายอย่างนั้นก็เริ่มรักษาศีลใหม่เพราะว่ามันเห็นโทษขยับขึ้นไปอายุยืนขึ้ น, ย, น, ย, นยืนขึ้นยืนนขึ้แล้วมันจเจริ่มนุ่งเรืองที่สุดก็ตอนอายุ 80,000 ื่ปีพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดขึ้น ภระศรีอาร น, นะอุบัติขึ้นมายุคต่อไปในจเนจริญเจริญไปถึงยุคภระศรีอารแต่ภัะศรีาร น, นี่มาบังเกิดตอนมนุษย์อายุจเจริญสุดขีดไม่เหมือนเจ้ายของเรามามาอุบัติขึ้นตอนมนุษย์วิกฤตแล้วชีวิตทำเสื่อมซ้ำเต็มที่แล้วร้อยปีอายุ100ปีนี่ถือว่าวิกฤตแล้วแต่10ปีเนี่ยวิกฤตสุดขีดแล้วฆ่ากันตายเนี่ยถ้าไม่ฆ่ากันตายก็เกิดโรคภยัยโรคหาโรคระบาดโาครคภัยไข้เจ็บตายหมดเหมือนกัน ถ้าไม่โลกไม่ไม่ระบาดก็พกุกหวิวโหยไม่มีพวกพืชธัญญาหารเกิดความแห้งแล้งเกิดไม่มีอาหาระอดอยากตายต้องตายดูสินี่เรียกว่าตาสงสารไปอย่างงี้นะไม่มีอะไรดีงามหรอกมันแค่เวียนเก็บเวียนตายเพราความหลงอำนาจความหลงถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วรีบทำลายความหลงให้ได้ทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุก็คือความหลงนี่แหละเหมือนภาษารีบุตรท่าฟังเข้าใจเลยอู้นึกจากความหลงเองเหรอ ความหลงเป็นตัวเป็นตนนี่เหรอเป็นตัวเราเป็นของเรานี่เหรอมองเข้าไปหากายเอ้าร่างกายก็อยู่ของมันความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเอ้าก็เป็นแค่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของมันเวทนาเอ้ามันก็อยู่ของมันให้เห็นอย่างเงี้ยเห็นแจ้งเห็นชัดจนกําลังมันมากพอเนี่ยเห็นพอเห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมไปพร้อมกันเลยสติสัมสสี่เป็นหนึ่งขึ้นมาเลยมักมีองค์แรวมเป็นหนึ่งอยสัตสี่แจ้งชัดขึ้นมาก็ประหารกิเลสได้พ้นทุกข์ได้ เนีย่ยเพราะนั้นธรรมะคงเยี่ยวก็รวมลงที่จิตจิตของเรารู้ความจริงหรือไม่รู้ความจริงรู้กับไม่รู้ถ้ารู้ก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ตามธรรมชาติถ้าไม่รู้ก็คือหลงกายก็เป็นเราเวทนาก็เป็นเราจิตก็เป็นเราทำทั้งหลายอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรา รูปปัจขันก็เป็นเราเวทนาขันก็เป็นเราสัญญาขันก็เป็นเราสังขารขันก็เป็นเราวิญญาณขันก็เป็นเรามีแต่เราหมดเลยเมื่อมีกายเราก็มีกายเขามีเราก็มีของเรามีพวกเราความเป็นตัวตนก็ขยายออกไปยืดสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นเราเป็นของเราเป็นของเรามากทุกข์ก็มากเพราะความเป็นเราเนี่ยมันทําให้มีทุกมีทุกเพราะมีเรามีสมบัติสักชิดนึง พอมีใครไปแต่ต้องสมบัติของเราปั๊บทุกข์อีกแล้วเพราะเราวางใจไม่ถูกถ้าวางใจถูกก็คือเอามีทรัพย์ก็คือว่าเอาเป็นเครื่องใช้ของเรามีบ้านมีเรือนเป็นที่อาศัยของเราอำนวยความสะดวกให้แก่เรามีรถมีเครื่องใช้ไม้สอยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเราแก่ชีวิตของเราแต่จิตไม่ไปยึดมันถ้ามันจะเสียหายบ้างอะไรบ้างเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างอ๋อเป็นธรรมดานี่คือมันรู้ความจริงมันปล่อยมันวางได้ไม่มีทุกข์แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลย ไม่ได้หมายว่าต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่คนละอย่างกันกับความเข้าใจของคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาคาดชะเนเอาคิดเอาอไม่มีเราแล้วไม่มีของเราแล้วมันเด้อเรจะอยู่ยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นอันหนึ่งมันรู้ความจริงสูงสุดด้วยจิตด้วยปัญญาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังบริบูรณ์สมบูรณ์เหมือนเดิมแต่มุมมองภายในจิตเปลี่ยนความยึดมั่นภายในจิตไม่มีเมื่อนไม่มีแล้วมันไม่ยึดมั่นถือมั่น อะไรเกิดขึ้นมันก็ปล่อยวางได้ไม่มาปรุงแต่งที่จิตถึงจะมีความคิดขึ้นมาว้างแวบบมันก็เป็นแค่สังขารหลักขานไม่ใช่จิตไม่ใช่เราคือมันวางหมดจดแล้วไม่ยึดเลยมันจริงไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้เมื่อมีอะไรปรุงแต่งจิตได้จึงจิตก็เลยเป็นอิสระจิตก็เลยบริสุทธิ์ทำอะไรก็ไม่มีเราเพราะว่ามันทาไปตามความเหมาะสมทาไปตามเหตุตามปัจจัยก็เลยไม่มีกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีอะไรพาไปเกิด เพราะกรรมอยู่เวลาจะพาไปเกิดมันก็ปูงแต่งขึ้นมาแล้วก็พาไปเกิดคราวนี้เราไม่ยึดว่าเป็นเราทําก็ไม่มีเราที่จะพาไปเกิดไม่มีสังขารปรุงแต่งว่าเป็นเราพาไปเกิดเราก็เลยเป็นอิสระไม่มีทุกข์ในชาติปัจจุบันเมื่อจะตายก็ไม่มีอะไรพาไปเกิดจึงเรียกว่าดับขันทะปริมิธานไม่เอาขันไม่สร้างขันขึ้นมาดับขันเลยปริมิธานก็คือว่ารู้รอบแล้วดับรอบแล้วไม่มีอะไรลงเหนือค้างคาง พ้นทุกแน่นอนแล้วจิตใจมีปัญญาสมบูรณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้แล้วก็เข้าใจทันทีด้วยตัวจิตเองที่ฝึกฝนอบรมมาแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะวุบมีมีนะวุบตึ๊กขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันดับปุ๊บไปเกี่ยวข้องอะไรก็เกี่ยวข้องได้แต่พวกเกี่ยวข้องโมโมตัปมันก็เหมือนกับว่ามันแล้วไปเลยจบมันไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มีอะไรค้างคามันไม่ติดอ่ะมันไม่ยึดสมควรเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องได้ทันทีแต่จบแล้วก็จบทันทีเหมือนกับเริ่มต้นใหม่กันเลย นี่นี่คือจิตที่มันเป็นอิสระจริงๆรมายึดไม่ติดไม่คล้องแต่ว่าควรเกี่ยวข้องกับใครยังไงมันก็รู้อยู่ว่าเออคนนี้เกี่ยวข้องอย่างนี้คนนี้เกี่ยวข้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งนี้เป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่ามีอุปทานยึดติดข้องมีจิตที่เป็นอิสระคือมันแจ้งชัดอยู่ในจิตแล้วก็ไม่คิดอะไรที่ให้ตัวเองเป็นทุกข์เด็ดขาดมีแต่คิดเพื่อให้ทุกข์ดับเท่านั้นคือมันก็เร็วด้วยนะมันก็คิดเองด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเราไปตั้งใจคิดนะ รับขึ้นมามันจะรีบสอนจิตทันทีเลยเจอเหมือนกับจิตมาสอนจิตได้เหมือนเราตอนนี้เหมือนกันจิตเราหลงที่เราปฏิบัตินี่ก็คือสอนจิตให้มันรู้ความจริงจิตหลงก็มาสอนจิตให้รู้เมื่อจิตรู้จิตก็ปล่อยเป็นอิสระขึ้นมาจิตหลงเรามาปฏิบัติเพื่อจิตรู้ให้จิตหายหลงพราะจิตมันยึดมันมันหลงมันหลงมาเป็นเราที่หลงก็คือหลงหนักๆนี่ก็คือนี่แหละพอมันมีเรามันก็ทําเพื่อเราเนี่ยเมือมันขยายออกไปจากตัวตนเนี่ยตัวเราเนี่ย น exactly no ี่แหละเรียกอวิชาอวิชาที่เราเวียนว่ายตายเกิดขึ้นไม่รู้อวิชาไม่รู้จักอวิชาเนี่ยอวิชาเนี่ยมันจึงพาเวียนว่ายตายเกิดอวิชาไม่ได้พอมีอวิชาปั๊บมันก็มีตัวตนแล้วนี่ทำดีเราทำไม่ดีก็เราสงบก็เราเราเรามีตัวกดมีตัวตนตลอดเลยเก็บเอาไว้เก็บไว้ในจิตนี่แหละตัวที่จะผลักดันให้จิตเราไปเกิดพราะความมีตัวตนตัวตนก็เก็บเอาไว้เก็บไว้มังก็มีกำลัง ตายเมื่อไรมันก็ผักดันไปเกิดไปเกิดตามอํานาจว่าเออเราเราเราทำไม่ดีมากเป็นเราทําไม่ดีเป็นเราไม่ดีนี่นี่เนี่ยถ้าหาว่าตรงนั้นมันให้ผลมันก็ผักดันไปเกิดที่ไม่ดีแต่ถ้าว่าเออเราทําดีเราทําทถูกทํำต้องเป็นตัวตนฝ่ายดีมันก็ไปผักดันให้ไปสุขติไปฝ่ายดีมันก็จะมีอยู่ใ น, นจิตนี่แหละไปมันก็ไปสร้างกายขึ้นมาสร้างลูกอย่างเรามเกิดในท้องเนี่ยปั๊บขึ้นมาเนี่ยถ้ากรรมดีมันมีปั๊บ ในในจิตวิญญาณของเราก็จะเริ่มสร้างกายขึ้นมาแเฮ้ยมึงนี่เคยท่าสัตว์มากเลยเหร อ, อตรงนั้นกับที่กลที่การแล้วนาะที่นี่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบแนละ้วที่นี่นี่นี่นี่แกรรมนี่นแหละมันสร้างขึ้นมาตัวจิตแล้วคุณอิบัติของจิตเป็นยังไงเคยฟังธรรมมาไหมหรือว่ า, เ, าเคยทําบุญชุนทานมาไหมมันก็หยินประมวลอยู่ในนั่นแหล ะ, ะเคยดูถูกเยียวย า, ยาคนอื่นไหมเนี่ยหน้าตาก็เศร้าหมองหน้าตาก็ไม่สวยไม่งามบูดบึ้งบึ้งตึ ง, งผิวพรรณวันณนะไม่สวยไม่งามแล้ ว, วเกิดในตระกูล ต่ำต้อยเนี่ยพวกนี้เนี่ ย, ก, ย, ยก็เคยโกดเครื่องใครไม่เนี่ยครับมันก็ทําให้เกิดความไม่สวยไม่งามขึม้นเลยถ้าดูถูกเยาย้ําคนอื่นก็เกิดในตระกูลที่ต่าต้อยนี่ ย, ยมันก็แยกแยะออกไปตามนานของกรรมอย่างเงี้ยอันนี้พูดไปตามคําสอนของบุตรเจ้าท่านเคยตอบปัญหาเอาไวา้มีคนมาถามทําไมบางคนอายุสัน้นบางคนอายุยืนบางคนโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนโรคภัยไข้เจ็บน้อยเยู่พุทเจ้าก็ตอบแบบนี้ว่าเออพวกที่อายุสั้นนี่มันก็แบบเคยฆ่าสัตว์ไว้มากอายุยืนก็คือเมตตาสัตว์ พวกที่โรคภัยไข้เจ็บน้อยก็คือไม่ไม่เบียดเบียนสัตว์พวกโรคภัยไข้เจ็บมากก็บีบเบียนสัตว์คุณก็ตอบแบบเนี้บางคนทํำไมทรัพย์มาก บ, บางคนทรัพย์น้อยก็เกี่ยวกับบุญทานที่เคยทํามาบางคนทําไมมีปัญญามากปัญญาน้อยเกี่ยวกับฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมแต่เชื่อว่าคุณสมบัติของจิตเราเนี่ยก็คือกรรมนั่นแหละมันส่งผลมาคุณสมบัติทางกายก็คือกรรมเนี่ยส่งผลมาแต่ว่าธรรมะคงจะออปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือกรรมเวลามีกรรมเนี่ย ตัวที่จะมารับกรรมคืออะไรมันเข้ามาทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6กทางนี้เท่านั้นเพราะฉนั้นทุกคนก็มีร่างกายมีร่างกายส่วนที่จะมารับกรรมเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีใครอยากรู้ว่ากรรมเก่าตัวเองเป็นยังไงมองดูตัวเองได้เลยครูเจ้าจึงบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้คือกรรมเก่าแล้วจาเป็นไม่ต้องไปดูว่าเฮ้ยชาติก่อนฉันทําอะไรชาติไหนทํายังไงทําไมชาตินี้จึงเป็นอย่างนี้ เสียเวลาเปล่าเล่าเพราะเคยทํากรรมมามากมายมหาศาลเบียนไหว้ตายตัวสะสมมาจนเป็นเรานี่แหละอํานาจของกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาจะรับกรรมคือยังไงกระทบอารมณ์กระทบอารอมณ์วิบากให้ผลทางกิตเห็นแล้วเป็นทุกข์ไหมหรือเป็นสุขได้ยินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้กลิน่นรู้รส ถ, ถ, ถูกต้องสัมผัสสุขหรือทุกข์นี่วิบากของกรรมเก่าเพราะนั้นเวลาจิตมันคิดไม่ดีขึ้นมานั่ น, นแหละกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ทําสบายๆ ส, ส, สิ ถ้ารู้ทันเอามายุดไม่ติดไมค่ค้องอยู่เนื้อกรรมได้ใช้กรรมไปเลยจบเห็นคนนี้ทําไมบางทีเอ้ยไม่สบายใจกระทุกกระเทือนกันเพราะเคยบันทอนกันมามันมีมีผลทางจิตใจเป็นวิบากแล้วก็เอาแล้วไปสิจบที่จิตเหล่านี้แก้ที่จิตเหล่านี้ให้มันอยู่เนื้อกรรมเรื่อยไปอย่าให้มันสืบเนื่องต่อไปเป็นกรรมใหม่เป็นกรรมใหม่ปรุงแต่งแล้วนะที่นี้เฮ้ยเขาอย่างนั้นเราอย่างนี้อา้าวสร้างกรรมต่อไปอีกวนเวียนอยู่ในจิตเนี่แหละมันเป็นภพขึ้นมาเป็นภพก็คือมันวนเวียนอยู่ในจิตปรุงแต่งขึ้นในจิต เป็นชาติชาตินี่ปรุงแต่งเป็นกัวกูเป็นของกูเป็นตัวเป็นตนตหนักแล้วบีบคั้นจิตใจแล้วเกิดชรลาโมรณะกว่ามันจะดับไปก็โศกกะปริเทวทุกขโทมน า, า, านัสสอุปายาสสะเนี่ยมันอยู่ในจิตหมดเลยนะนี่เรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นทุกข์เราจะไปโทษข้างนอกไม่ได้เลยขบวนการที่จะอยู่เหนือทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์เหนือกรรมพ้นกรรมก็คืออยู่ที่จิตเพราะเราพระเจ้าสอนให้มาเจริญสติให้รู้เท่าทานตอนมันกระทบรู้เท่าทานอาการของจิตเราหรือบางทีมันไม่ได้ตาไม่ได้เห็นจมูก หูไมได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นดินไม่ได้ลดกายไม่ได้ถูกต้องสมอะไรจะจิดมันนึ่ขึ้นมาได้เมืแต่หลับมันยังนึกขึ้นได้นะไอ้เวลาคนหลับเนี่ยถ้าฝันแตปลกนะไม่ในโลกไม่มีเลยนั่นแหละมันไปเอาอาดีตมาฝันสัญญามันมีอะ่ะแต่มันจะไอ้อดีตชาติเนี่ย มันจะเกิดขึ้นในขณะที่ในพวังคจิตถาธรรมดาอารมณ์ของโลกมันกุ้มลุมอยู่อมันนึกอะไรไม่ออกเพราะนนถ้าจิตมันเข้าสู่ภวังอะบางทีมันว่าไปเหมือนอะไรวับวับแแบมบแบบแบบเหมือนที่แห่งหนึ่งมาอยู่เรื่อยเลยที่นั้น่ะเหมือนอยู่ตรงนั้นเหมือนชัดเจนแต่ไม่รู้อยู่ไหนอะเหมือนเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกุฏิเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยอันนี้มันมันเอาอารมณ์ของภพชาติเข้าม า, ากเกี่ยวข้องแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยอารมณ์มันอยู่ในโลกก่อ อันนั้นบางอั น, นลูกเสียงจิตลดสัมผัสบางทีจิตมันนึกอะไรขึ้นมาปั๊บกระทบจิตมโนวิญญาณเริ่มปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจึงสรุปแล้วมาสํารวมอยู่ที่จิตมีสติรักษาจิตแล้วก็ให้จิตรู้พยายามให้มันรู้ขึ้นมาถ้ามันรู้รอบมากขึ้นก็รู้ว่าเป็นกรรมของเราเป็นความเคยชินภายในจิตของเราที่มันเคยสร้างสมอบรมมาเราก็ปล่อยวางให้เร็วอาการของจิตมันจะคิดดีบ้างไม่ดีบ้างนี่แหละอาการของมัน คิ่ได้มันไม่สบายใจคือมืนมนี่แหละอาการของกรรมเก่ามันให้ผลแล้วแล้วก็รีบวางกรรมอยู่เนื้อกรรมไม่ต้องไปสร้างกรรมใหม่ถ้าสร้างกรรมใหม่ก็คือเรามาเอามาปูมาแต่งลุงแต่งก็เป็นเนี่ยมโนกรรมขึ้นมาแล้มาพูดใส่กันอีกพูดร้ายต่ออะไรกันอีกเนี่ยเป็นวจีกรรมนะ ล, ลงไม้ลงมือไปอีกกูกายกรรมสร้างกรรมที่นี้นี่แหละบนเบียนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่ารักษาจิตได้ที่นี่จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายควรทำยังไงก็ทําไปนะที่นี่ทําแล้วไม่มีตัวตน บางทีรู้ว่าทําผิดมารู้ทีหลังว่าทําผิดก็ยอมรับเลยนะโอ้เราเคยทําผิดพลาดโอ้เพราะความไม่รู้ของเราแก้ไขสมควรบอกเก่าก็บอกเกา่าไม่สมควรบอกกล่าก็อยู่ในจิตเราเราจะแก้ไขมันก็ไม่เป็นไรก็ง่ายสรุปแล้วก็คือว่าอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นไหมถ้าใครมามุ่งมาว่าเออจะต้องแก้ไขจิตใจของเราให้มันรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นนี่แหละคือพระประสงค์ของบุญญาต้องการให้เราพัฒนาจิตของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น เอาสัมมลมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะหยุด ย, ยกจิตของเราขึ้นมาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเราจะย้ําอะไรกับตัวเราได้ได้พูดให้ฟังเรื่อง ก, การอธิษฐานก็คือจิตแน่วแน่ลึกซึ้งอยู่ภายในจิตแน่วแน่มีกําลังมีพลังมันจึงมีผลต่อจิตเราแล้วทําให้คําอธิษฐานประสบผลสําเร็จบางทีเราตั้งความปรารถนาอะไรเนี่ยมันมีกําลังมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ รวมทั้งมันสามารถสื่อออกไปข้างนอกได้มันมีพลังมีอานุภาตอย่างอุทิศบุญก็เหมือนกันเราที่บุญพร้อมกับจิตที่มีสมาธิแน่วแน่มันนึมีพลังมีอานิภาตส่วนใหญ่ก็ใช้อธิษฐานเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตเช่นบรรลุคนทุกข์รวมทั้งการทําความดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างวัตถุประสงค์แต่ละอย่างแต่ละอย่า ง, างเพราะว่าเราไม่สามารถทําความดีพร้อมกันทั้งหมดได้ ให้สมบูรณ์ทั้งหมดได้เราก็เลือกบางสินบางอย่างทำก่อนแล้กวก็าอาศัยจิตแน่วแน่นี้ให้มันรู้เป้าหมายตรงนั้นเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตคนทุกในที่สุดได้ เ, เมื่อีิฐันจิตอะไรเรียบร้อยนะสัญญากับตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุทิศบุญนะรวบรวมกำลังบุญของเราเลยนะทำาไว้ที่จิตใจของเรานะ เดี๋ก็ตั้งใจอุทิศบุญขออำนาจพระพุทธเจา้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดนบรรดาลบุญของขาาา้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของขาาา้าพเจ้าเทวดาที่รักษาขาาา้าพเจ้าเจ้ากรรมนายวีนของขาาา้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาในในายเวีนของพ่อของแม่สามีภรรยา ลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณตั้งข้าพระเจ้าใยญาติเทวดาที่รักษาและนายเวของผู้ที่มีส่วนในการจัดให้มีการเดินทางมานมัสการสังเวชนิยสถานฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้รวมทั้งของผู้ที่มีส่วนในการช่วยกันทําให้การเดินทางมาราบรื่นเรียบร้อย มีงามมีประโยชน์ต่อจิตต่อใจให้แกบุคคลเหล่านั้นด้วยผู้ที่มีส่วนช่วยเรลืกันให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านเรือนในที่ทำงานร้านค้าบริษัทคีินิกโรงงานโรงแรมไร่านาสวนที่ดินในสมบัติพิษานทสิ่งพิษานั้งจะ ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจากชาวาจานในขณะนี้ทุกท่ทนถือครูขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของงชาวจา้าโดยโตเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ้นใดใหสมความปรารถนาในอานาจแห่งบุญอิศราบาาร้านในทุกท่าแล้วนี้ เมื่อสมความเป็นมาแล้วให้กดปั๊บาที่จางเลยเพื่อนเพื่อนท่านข้าพเจ้าทาสิ่งใดไม่มีแต่วความรา่ามมีแต่วความสาเร็จดีกต่วความจเจริญรุ่งเรืองตางยีน่นไปได้ทุสขาพเจ้าะจะมันทำบรญแล้วจะคิดดจะได้เร่งไป